มีใอยากจะถามอะไรไหมไม่เปิดได้เสียงให้หน่อยไี่สงบาหน่อยมีใอยากจะถามอะไรหรอ่ถามมั้งมงบกระฝอปล่าถามเลยนะเจ้าคะเดี๋ยวเดี๋ยวลองใบกระฟอนคุณลอยเข้ามามันมีใบใบลอยตัวหน่อยฮะ เช<พวก>ม่เนะจ้าค่ ะ, ะเมื่ออาจิยที่ผ่านมาคือ่าของแฟนหนูเขาโทรมาพี่ว่าน้องสาวเขาป่วยอยู่ที่อง ICU เขาบอกว่าเอ๊ะทำบุญใสบาททุกวันสวนดมนต์ทุกวันขอฝากชื่อนี้นามชกุูนี้อุทิศบุญให้เขาหน่อย หนูก็ซื่อใจนิดนึงหนูก็บอกไม่ได้ปฏิเสธหนูก็บอกออจะจะจะจ ะ, จ ะ, จ, ะ, จ, ะจะตอบในสิ่งที่คุณต้องการว่าอุทิศบุญเป็นสิ่งที่คุณต้องการแต่คุณนะก็ควรจะทำบุญใส่บาตรแล้วก็สวดมนต์ด้วยหนูก็ไม่ได้จะปฏิเสธอะไรแต่หนูจะมาถามพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าอย่างนี้ได้ด้วยหรือเจ้าคะได้เลยคือได้บุญที่จากที่หนูทําอะไรนที่เขามาขอว่าเจ้าค่ะ เขากำลังป่วยอยู่เจ้าค่ะเขายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเขาควรจะทำเองเขาจะได้มากกว่าบุญที่อุทิศนี้เป็นบุญส่วนย่อยบุญที่เหมือนกับเงินให้ขอทานเนี่ยให้พวกที่ตายไปแล้วแล้วเขาไม่สามารถที่จะทำบุญได้ก็ให้เขาไปส่วนเขาที่ยังมีชีวิตอยูอ่เขาทำเขาจะได้มากกว่า ก็เลยไม่นิยมที่จะอุทิศดูนให้กับคนเป็นแต่จะถามว่าอุทิศได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้เพราะว่ามันไม่มีทำเนียปฏิบัติกันมาทำทำเนียปฏิบัติมาถ้ายังมีชีวิตอยู่คนจะทําเองแต่หนูก็ไม่ได้ปฏิเสธเพราะหนูก็กลัวเขาเพราะว่ากลัวเขาไม่สบายใจก็ เราไม่รู้จะตอบเขาอย่างไงก็เลยจะบอกว่าให้เขาว่าทาบุญด้วยนั่นแหละก็ท้อคนจะทําบุญเองเขาจะได้มากกว่าบุญที่เราให้เขาบุญที่เราแบ่งให้เขาได้สมมุติว่าร้อยหนึ่งเราแบ่งให้เขาได้บาทเดียวอต่าถ้าเขาทาเองเขาได้ทั้งร้อยนี่คือบุญอุทิศบุญุทิศนี่ มูลที่เราทำให้ผู้ที่วงลับไปแล้วเพราะตามที่เขามีชีวิตอยู่เขาไม่ทำบุญเขาทาแต่บาปเพราะเขาหวงเงินเขาอยากจะได้เงินมากๆแล้วเวล า, เาได้เงินมามากๆ ก, ก็เอาไปเที่ยวเอาไปกินเอาไปเล่นกันไม่ไม่คิดถึงเรื่องทำบุญพอตายไปเขาก็เลยไม่มีบุญติดตัวไป ก็เลยต้องไปเป็นขอทานบุญเป็นรับส่วนบุญของญาติพี่น้องที่มีชีวิตอยู่ทำบุญส่งไปให้แตก็เป็นบุญเล็กๆน้อยๆเหมือนกับเงินเล็กๆน้อยๆที่ที่เราให้ขอทานก็พอที่จะทำให้บรรเทาความทุกข์ยากลำบากได้บ้างแต่ก็ยังสู้ทำบุญเองไม่ได้ถ้าทำบุญเอง ตายไปก็จะเป็นเศรษฐีบุญก็จะเป็นเทวดาพวกที่เป็นเทวดานี่เป็นพวกเป็นเศรษฐีบุญเพราะว่าเขาเวลามีชีวิตอยู่เขาจะทำบุญมากกว่าทำบาปเขาทำบาปน้อยทำบุญมากกว่ากำลังของบุญมีมากจึงพาให้เขาได้ไปเกิดในสวรรค์ เป็นเทวดาชั้นต่างๆแต่ถ้าเขาทําบาปมากกว่าทําบุญบาป ก, ก็จะดึงให้เขาไปเกิดในอบายบางทีก็ไปเป็นเลราชา้างบางทีก็ไปเป็นเปรตเป็นขอทานเปรต น, นี่เป็นขอทานบุญบางทีก็ไปนตรนรกถ้าทําบาปมากๆทําบาปที่หนักเช่นฆ่าคนตาย ฆ้าพ่อฆ่าแม่ฆ่าผ้า อ, อาหารตัวนี้เป็นบาปทาํ า, า, า, พพาบาปด้วยความมาฆ่าพยายาทเครียดแค้นโกรธเกลียดก็จะไปใช้กรรมถ้าทําบาปก็เพื่อเอาตัวรอดเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็ไปเป็นเดรัจฉานเดรัจฉานนี้เขาก็ฆ่าโดยการ อยู่ด้วยการค่าชิ้วเลยเอาพูาพ้วเลยมาเป็นอาหารสารัตใหญ่กินสั์สั์เล็กเขาต้องกินเพราะว่าเขาเขาต้องเอาตัวให้อยู่รอดเหมือนกับคนที่ทรมากินด้วยการฆ่าสาัตว์ฆ่าเป็ดาไก่ฆ้าวัวข่าควาย อันนตายไปก็จะไปเป็นเดรัจฉานแต่ถ้าทําบาปด้วยความโลภทํำบาปด้วยความโลภนี่ก็ไปเป็นเปรตทํำบาปด้วยควา ม, มาคาพยาบาทก็ไปอาบาอาไปนรกแต่พอใช้บาปบุญก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่เป็นมนุษย์ที่อาภัพวาสนา เค่เปนมนุษย์ที่ไม่ดีเป็นคนไม่ดีเป็นคนที่ชอบทำบาปเพราะนิสัยที่ทำบาปมันไม่ได้หวดไปกับบาปที่ได้ไปไปใช้นิสัยทำบาปยังติดตัวมาการมาเกิดก็จะเกิดทุกอยา่ากมำบากแล้วก็จะไปทำบาปไปรักชอบไป กหกห ล, ลกาพรวงนักปร็ชอบพวกอบา ย, ยมุกต่างๆชอบเึ่งสุราชอบเล่นการพนันชอบเที่ยวเตนี่เป็นลักษณะของคนที่มาจากอบายส่วนพวกที่มาจากสวรรค์นี่เป็นพวกที่เป็นคนดีเพราะมีนิสัยชอบทำบุญไ ม, ไม่ชอบทำบา ชอบรักษาสี่จชอบทำบุญให้ทานเวลาตายไปบุญก็พาให้ไปเกิดในสวรรค์พอบุญที่ไปส่งไปหมดก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เ่อกลับเป็นมนุษย์ที่ดีมาทำบุญทำทานต่อมารักษาสี่งต่อนี่คือลักษณะของ การเงินไล่ตายเกิดของพวกเราพวกเรานี้เป็นพวกที่มามาดีเป็นมนุษย์ที่ดีเพราะไม่ชอบทาบาปชอบทําบุญพอตายไปบุญก็จะส่งให้ไปสวรรค์เพราะเราไม่ทําบาปหรือทําก็น้อยเมื่อเวลาตายนี้บาปกับบุญที่เราทํานี่มันจะมา แย่งเอาใจเราไปในทางใดทางหนึ่งถ้าบาปมีกำลังมากกว่าบาปก็จะดึงให้เราไปเกิดในบายเมื่อเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตหรือไปตกนรกถ้าบุญมีกำลังมากกว่าก็จะดึงเราให้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นต่างๆสวรรค์ก็มีหลายชั้นตามตามตามกำลังบุญที่ทำไว้ ถ้ามำบุญ่า ก, ก็ได้สวรรค์ชั้นสูนาทางทำบุญน้อยก็ได้สวรรค์ชั้นต่ำลูกๆกเทมในพวกอยู่ตามต้นไม้เ น, น, นี่ยเป็นพวกบุญชั้นต่ํำพวกที่อยู่ชั้นสูงอยูาา่ในสวรรค์เนี่ยเาเป็นบุญชั้นสูงแล้วถ้ า, า, าได้มีโอกาสได้บวชได้นัำำ่งสมาธิทําใจให้สงบได้ ก็จะไปสวรรค์ชั้นพรมที่สูงกว่าสวรรค์ชั้นเทพสวรรค์ชั้นเทพ น, น, นที่อย่างเสกรูปเสียงเก่งยอดเทพอีกสวรรค์ชั้นพรหมนี่จะเสกชานเจ็เสกความสงบพรมนี้มีอยู่แปดเก้าชั้นรูปฌานสี่อรูปฌานสี่อันนีนความสุขที่ ดีกว่ามากกว่าความสุขที่ได้จากการเสียงนุ่งเทปเสียงเทปกลิก่นเทปลองรู้เทปเสียงเทปเนี่กเหมนกับเวลาที่เราไป เ, เที่ยวตามต่างประเทศเนี่ยเราก็ได้ไปสถานที่ที่สวยงามที่แปลกแปลกตาแต่ถ้าเป็นพน้องที้เป็กๆ ชั้นพรงนี้ไม่มีรูปเสียงขีดที่มีความสบุบ ม, มีความว่างที่เป็นความสุขมากกว่าแต่ก็ยังอยู่ภายใต้กฎของอนิจจ์ทุกขงังอนัตตาบุญที่ส่งให้ไปชั้นนี้พอหมดกำลังก็จะทำให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่ ก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆสำหรับพวกเราทุกคนจนกว่าจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาถ้าเราพบกับพระพุทธเจ้าพระธรระคำสอนหรือพบกับพระอริยสงสารท่านก็นจะมีวิธีให้เราไปสวรรค์ที่สูงกว่าสวรรค์ชั้นพรหมคือสวรรค์ชั้นนิพพาน สวรรค์ของพระอริยเจ้าและเป็นสวรรค์ที่ทําไม่มีวันเสื่อมถ้าเราไปถึงนิพพานแล้วเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดในมนุษย์ใหม่จะอยู่ในนิพพานไปตลอดจะอยู่กับความสุขที่สูงสุดในบรรดาสุขต่างๆที่มีอยู่ในในโลกทิพนี้ความสุขของพระนิพพานนี้เป็นความสุขที่สูงสุด ท, ที่ดีที่สุด ว่าเป็นความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดอยาจะไปได้ก็ต้องตัดกิเลสตัดความโลภความโกรธความหลงตัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจวิธีที่จะตัดก็ต้องใช้าการปฏิบัติทำนั่งสมาธิทำใจให้สงบทำใจให้เป็นพรหมก่อน สมาธินี้ทำให้ใจเป็นพรหมแล้วต่อจานั้นก็ให้ใช้ปัญญาเพื่อทำให้ใจเป็นพระอริยญาณขั้นต่างๆด้วยการละความอยากต่างๆ<ม>ขั้งแรกมีพระโสดาบันท่านกละความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายถ้าคนที่อยากจะไป ปันผ่านนี้ต้องยอมตายต้องยอมแก่ยอมเจ็บถ้ายังกลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายก็จะไปไม่ได้ก็จะต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อย เ, เพราะยังลักตัวกลัวตายยังรักร่างกายยังหวงร่างกายยังหวงร่างกายพอร่างกายนี้ตายไปก็จะกลับมามีร่างกายอันใหม่ ถ้าไม่อยากจะมีร่างกายอัใหม่ก็ต้องไม่รักไม่หัวร่างกาย อ, อันที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ถึงเวลามันจะแกะ่ก็ปล่อยมันแก่ไปถึงเวลามันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปถึงเวลาร่างกายแก่ผมหงอกก็ไม่ต้องไปย้อมมันหนังเขียวก็ไม่ต้องไปดึง ม, มันยอมรับว่ามันยังไงก็ต้องแก่ ยังไงมันก็ต้องเจ็บเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ยอมรับรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็อยู่กับมันไปไม่กลัวความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ถ้าถึงเวลาที่จะตายก็ยอมตายไม่กลัวตายเพราะมีปัญญา ที่เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นร่างกายเราที่จะไปนิพพานนี้ไม่ใช่ร่างกายเราคือจิตใจจิตใจที่ไม่มีวันตายเท่ากับร่างกายแต่ถูกความหลงหลอกให้มาคิดว่าเป็นร่างกายก็เลยโกลัตายกัน กลเวลาร่างกายตายก็กลัวกานคิดว่าตัวเองจะตายไปกับร่างกายถ้ามีตัญญาแยกร่างกายออกจากใจได้เห็นใจกับร่างกายป็นการสุดก็จะไม่กลัวตายเพรารู้ว่าตัวเองไม่ได้เป็นร่างกายเวลาร่างกายตายตัวเองก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายก็เลยละความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้ ก็ตัการกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ยังตัดไม่หมดยังเหลือถ้ายังยังจะกลับมาเกิดก็ไม่เกินเจ็ดชาติเพราะยังมีความรักไม่รักตัวร่างกายของตนเองแต่ไปรักร่างกายของคนอื่นเช่นรักร่างกายของสามีรักร่างกายของภรรยารักร่างกายของแฟนเวลาเห็นร่างกายขเขา ชอบเห็นว่าสวยงามก็อยากได้เขามาอยู่ด้วยมาให้ความสุขกับตนถ้าอยากจะตัดความรักในร่างกายของแฟนของสามีของภรรยาก็ต้องดูส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายของเขาเราเห็นส่วนที่สวยงามยังทําให้เราหลงรักเขาเราไม่เห็นส่วนที่ไม่สวยงาม เราต้องดูส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายส่วนไหนที่ไม่สวยงามของร่างกายก็ส่วนที่เรามองไม่เห็นนี่ที่มันอยู่ภายใต้ผิวหนังร่างกายนี้ภายนอกก็มีอยู่5้าอาการที่เราเห็นกันอยู่เห็นผมเห็นขนเห็นเล็บเห็นฟันเห็นหนังเห็นเท่านี้เขาทาผมไม่สวยทําขนทําเล็บให้สวยทำฟันให้สวย ทำอย่างนี้สวยก็เลยหลงรักเขาถ้าอยากจะไม่รลงไม่อยากจะหลงรักเขาก็ต้องมองเข้าไปข้างในเพราะว่านาอกจากผมขนเล็บฟันหมดแล้วยังมีอาการอย่างอื่นที่เราเรียกว่าอาการ32ยังไม่เห็นอีก27อาการเราก็ต้องศึกษาอาการอย่างนี้เช่าใต้ถึงอย่างก็จะมีเนื้อ มีเอ็นมีกระดูกมีเยื่อในกระดูกมีม้ามีหัวใจมีตับมีพังผืดมีไตมีปอดมีลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อยมีอาหารใหม่อาหารเก่าที่อยู่ในลำไส้อาหารที่เรากินเข้าไปวันนี้ก็เป็นอาหารใหม่อาหารที่เรากินเมื่วันสองวันก่อนก็เป็นอาหารเก่าที่จะต้อง ถายออกมาปปปกะะไปไปอุดจระเข้ไปในส่วนที่เรามองไม่เห็นกันเราถ้าเรามองเห็นส่วนเหนี้ในร่างกายของแฟนเราของภรรยาของสามีเราเนี่ยมันก็จะทําให้เราไม่หลงรักเขานี่ยเราถ้าอยากจะไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ต้องมารักคนนี้นคนนี้ เรารักเราหมืนทุกเพราะว่าเขาก็เป็นของไม่แน่นอนเขาจะอยู่กับเราไปยได้นานเราเท่าไหร่เราก็ไม่รู้บางมีคืนดีเขาอาจจะไปมีแฟนใหม่ก็ได้หม่อบางดีคืน ด, นดีเกิดเจออุบัติเหตุลดความตายไปก็ได้พอเขาตายไปเขาจากเราไปเราก็จะเศร้ากเสียใจเป็นความทุกข์ แต่ถ้าเราเห็นร่างกายว่าไม่สวยไม่งามเราก็จะไม่อยากได้ร่างกายของใครมาเป็นแฟนเมื่อเราไม่มีความต้องการร่างกายของคนอื่นไม่มีความต้องการร่างกายของเราเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ติต่อไปนี่คือปัญญาที่เราจะต้องใช้ในการที่จะหยุดการกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต้องเห็นว่าร่างกายของเรานี้ ไม่ที่ยงไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราต้องเห็นร่างกายของคนอื่นว่าไม่สวยไม่งามเหตุการณ์สาสิบสองนอกจากอาการอวัยวะก็ยังมีน้ําต่างๆน้ําเสลน้ําดีน้ําเหลอน้ําเลือดน้ำเหนือน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ําลายน้ํามูดน้ําไข่ข้อน้ํำมู ถ้าเห็นน้ําต่างๆในร่างกายที่ไหลออกมาเหงื่อออกมาก็เห็นนะต้องอาบน้ําอยู่เรื่อยๆคือการพิจรณาด้วยปัญญาที่จะทําให้เราไม่หลงลักร่างกายของเราหรือร่างกายของคนอื่นไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายตัวรู้ว่าร่างกายที่เราคิดว่าเป็นของเราก็ไม่ใช่ของเรา ร่างกายของเรานี้มันเป็นของสับเปลือกเดี๋ยวสับเปลือกก็มัเอาไปพอเวลาตายไปไม่มีใครอกไล่ร่า ง, รงกายแล้วนะพ่อแม่ก็ไม่เอาแล้ะสามีภรรยาก็ไม่เอาละเยี่ยมให้สับเปลือกสับเปลือกก็มันรับเอาไปทําชา ป, ปนกิจคก็เอาไปแปลงให้ไปเป็นขี้เท่าไปให้กลายเป็นธาตุดินไป ร่างกายกวามจิ้นมาจากธาตุทั้งสี่คือดินน้ําลมไฟเนี่ยมาอย่างไรก็มาทางอาหารเนี่ยเวลาเรากินอาหารเรากินข้าวข้าวมันก็ดินแน่ลนะข้าวมันมาจากที่ไหนเวลาเราปลูกข้าวเราปลูกในดินแล้วเาปลูกในท้องฟ้าเราปลูกในดินเนี่ยมันข้าวดินมาเป็นมาเลีข้าวผักมันก็เหมือนกันผักมันก็เอาดินมาทาเป็นผั ก, ผก เวลาเรากินข้าวเราเาธาตุดินเข้ามาธาตุน้ําเราก็มดน้ําต่างๆที่เราเดินอยู่ทุกวันนี่ธาตุลมก็คือลมหายใจที่เราหายใจเข้าหายใจออกลธาตุไฟก็คือความร้อนที่เราได้รับจากแสงอาทิตย์เนี่ยได้รับจากจากร่างกายของเราส่วนใหญ่แล้วร่างกายมันผลิตความร้อนขึ้นมาจากการรผสมของธาตุดินธาตุน้ําธาตุลม ในเวากินอาหารเข้าไปในร่างกายทัาพักพมัเนื่อยแตเ่เพราะว่าธามดินาตุน้ําตุดมเหมือนเรื่องมีปฏิกิริยาทางเคมีมันทำให้เกิดความร้อนขึ้นมาดังนั้นถ้าเราพิจารณาด้วยปัญญาเราจะเห็นว่าร่างกายนี้มันเป็นธาตุสีมาจากดินน้ำลมไฟนล้วมาแปลงให้เป็นอาการ32 กามาร่างกายก็ไปทําเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเนี่ยผมเรายาวมาได้เรื่อยๆก็เพราะว่าเรามีธาตุสีคอยเติมเข้าไปเรื่อยๆเล็บยาวออกมาเรื่อยๆเนี่ร่างกายอยู่ได้อาการต่างๆอยู่ได้ไม่เสื่อมก็เพราะว่าเราจะค่อยเติมธาตุทั้งสีเข้าไปอยู่เรื่อยๆถ้าเราเราไม่กินข้าวไม่ดื่มน้ําไม่หายใจเลยร่างกายก็หยุดทํางานทันที การจรณาให้เห็นว่าร่างกายนี้เป็นเพลิงธาตุสิดินน้ำลมไฟเป็นอาการสาสิบสองเป็นของที่ไม่เที่ยงจะต้องตายไปจะต้องกายเป็นซากศพไปแล้วก็จะกลับคืนสู่สภาพเงินหรือกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปถ้าามีปัญญาเหนเร่างกายในลักษณะหลังนี้เราก็จะ ไม่หลงไปยึดไปเิ็ิไปถือว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราไม่มีความอยากในตัวนี้อยู่ไปตลอดเพราะมันเป็นไปไม่ได้เราด้วยว่าร่างกายนี้เกิดแนละ้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ยก็จะไม่มีความอยากไม่แก่มีความอยากไม่เจ็บมีความอยากไม่ตายพอเราไม่มีความอยากมันก็จะไม่ทําให้เราทุกข์ที่เราทุกข์เพราะเราไปอยาก อยากไม่แกพอเห็นขมหรอกหน่อยก็ทุกข์แล้วพออยากให้มันยังอยู่เรื่อยๆ เ, เห็ น, นหลังเที่วหน่อยเห็นเตีงกาหน่อยก็ทุกข์แล้วแต่ถ้าเรามีปัญญาเราจะรู้ว่าเราจะเตื่นใจสนใจอยู่เรื่อยๆว่ามันต้องแก่มันต้องเจ็บเราเดินมันก็ต้องตายถ้ามันรู้อย่างนี้ตลอดเวลามันจะไม่โท่ากับบ่าไกาย แล้วมันจะไม่กลับมาในร่างกายเพราะมันเข็ดกลับมาก็ต้องมาเจอความแก่ความเจ็บความตายถ้ากลับมาเกิดน้ก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายคนที่มีปัญญาคนฉลาดก็เลยไม่กลับมาเกิดวิธีไม่กลับมาเกิ ด, ก, ก, ดก็ต้องหยุดไม่ให้มีความอยากกับร่างก า, กายไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องวัดเครื่องมือให้เราหราหความสุขกันที่เรา ยังอยากมีร <Sí. S 2> ่างกายเพราะเรายังอยากมีตาขุมจมูกไว้สำหรับดูไว้สำหรับฟังเรายังมีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอยู่เราจึงต้องมีร่างกายถ้าเราไม่อยากจะกลับมามีร่างกายเราก็ต้องหยุดความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสไม่ดูไม่ดูรูปไม่ดูเสียงไม่ฟังเสียงคือไม่ไม่ดูด้วยความอยากดูด้วย ถ้าดูเฉยๆไม่เป็นไรอย่างนี้นตอนนี้เราดูเห็นอะไรแล้วก็ดูแต่รูแล้วเราไม่มีความอยากกับสิ่งที่เราดูนี้มันจะไม่ทำให้เรากลับมาแต่ถ้าเห็นแล้วเกิดความอยากเห็นรองเท้าก็อยากได้เห็นคนเห็นแฟนก็อยากได้เห็นคนที่น่ารักนะนะสวยงานก็อยากได้ถ้าเห็นอย่างนี้จะทำให้ต้องกลับมาเพราะมีความอยาก แต่ถ้าเห็นแบบนี้แบบธรรมาดาเห็นไปเพราะยังมีตาอยู่เห็นก็เห็นแต่ไม่มีความอยากเห็นกาแฟก็ไม่อยากดื่มไม่มีความอยากจะดื่มดื่มก็ได้ไม่ดื่งก็ได้ถ้าเห็ น, าน่างนี้ไม่จํ่เลยแต่ถ้าเห็นแล้วต้องดื่มต้องมีต้องต้องได้อันนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นความอยากต้องตัดความอยากเหล่านี้น ให้เห็นเฉยเฉยให้สักแต่ว่าเห็นได้ให้สักได้ได้ยินเสียงก็สักแต่ได้ยิ น, อ ย, นอยากไปได้ยินแล้วอยากก็อยาก ไ, ากได้อยากได้หรืออยากไม่ได้ ก, ก็เป็นความอยากเสียงดี ก, ก็อยากฟังอยากฟังเสียงสรแสเยี่ยงย่อพอเสียงนินทาข้อหานินทาก็อยากจะให้หยุดเนี่ยไม่อยากฟังอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องมาฝึกใจให้เรา อย่าไปอยากในรูปเสียงเกลียรนกันวิธีที่จะทําให้เราไม่อยากก็คือเราก็ต้องมาฝึกนั่งสมาธิกันพ่าเวลาใจเราสงบย่อใจเราจะเฉยเฉยจะไม่นักไม่ชังไม่นักรูปเสียงเกลียดนกไม่ชังรูปเสียงเกลเมื่อไม่ร้อไม่ชังก็จะไม่มีความอยากจะเฉยเฉยจะเห็นเฉยเฉยจะฟังเฉยเฉยจะไม่มีความอยาก ถ้าเราไม่มีความอยากเราก็ไม่ต้องมีร่างกายพวกคนที่เขาฝึกสมาธิกันได้นี่เขาไม่ใช่เขาไม่ใช้ร่างกายพ า, าไปเที่ยวแต่คนที่ยังไม่มีสมาธินี่ยังต้องใช้ร่างกายพาไปเที่ยวพาไปดูภาพยนตร์พาไปกินเลี้ยงพาไปหาความสุขในรูปแบบต่างๆเพราะใจเขาไม่เฉยใจเขาอยาก แต่ถ้าเรามาฝึกสมาธินั่งสมาธิทําใจให้สงบใจเราจะไม่รู้ความอยากแต่มันก็จะเป็นความเฉยอยู่ชื่อขณะที่อยู่ในสมาธิแต่พอออกจากสมาธิมาพอเห็นก็ความอยากนะี้ยังมีอยู่มันก็จะโผล่ขึ้นมาวิธีที่จะกําจัดมันก็ต้องใช้ปัญญา อัญญาที่สอนว่าอยาไปอยากในรูปเสียงจีนลดเพราะจะมันเป็นทุกข์เพราะรูปที่เราเห็นเช่นคนเช่นแฟนเราอย่างได้แฟนแต่แฟนนี้ไม่แน่นอนนงินเขาไม่แน่นอนได้เขามาวันนี้พรุ่งนี้เขาอาจจะจากเราไปก็ได้ือได้มาแล้ววันนี้เขาดีพรุ่งนี้เขาอาจจะไม่ดีก็ได้เวลาที่พบกันในหม่ก็เอาอกกอาใจกันมากกัน พอนด้อยู่เรื่องการเล่าเดี๋ยวก็ต่างคนต่างเอาใจตัวเองเลยไม่เอาใจกันนะ<ม>ก็เดี๋ยวเราเกิดการทวารวิาวาสเองเกิดความเสียใจเกิดความทุกข์ใจถ้าเราพิจารณาความไม่แน่นอนของมุขเสียงกลิ่นว่าว่ามันมการเปลี่ยนแปลงได้มีการเกิดวก็มีการดับได้มีจเจริญก็มีเสื่อมได้ถ้าเราเห็นความไม่แน่นอนเราก็จะ ไม่อยากได้เพราะว่าได้มานี๋ยวมันจะต้องทำให้เราทุกข์ตอนที่เราทีว่าได้มาน้วจะทำให้เราสุขมันก็สุขตอมต้นพอเขาเปลี่ยนไปเขาจากเราไปมันก็ทำให้เราทุกข์ได้ถ้าเราาใช้ปัญญามองทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราวันนี้เป็นของเราเพื่ง น, นี้อาจจะเป็นของคนอื่นก็ได้ ถ้าเห็นอย่างนี้ก็ไม่เอาดีกว่าก็หออยุดความอยากได้อันนี่คือวิธีหออยุดความอยากต้องมองให้เห็นว่าไม่เที่ยงแดงก็ไม่เที่ยงได้ามาแล้วเดี๋ยวเขาก็อาจจะจากเราไปเมื่อไหร่ก็ได้เห็นว่าไม่สวยได้ยิง่งดีไม่สวยไม่น่ารักไม่น่าดูถ้าเห็นถ้าทําให้ผิวหนังเขาบาง ใส่เป็นเหมือนถุงพลาสติกอย่างนี้คงจะดีนะของเราก็จะเหมือนกับเวลาที่เราไปซื้อเครื่องไกวัวเครื่องไก่หนูใส่ในถุงพลาสติกแล้วก็ถือหิ้วมาก็จะเห็นตับใจเห็นลำไส้ของหมูของของวัวร่างกายเราก็เหมือนกันหลังเรานี่ก็เป็นเหมือนถุงพลาสติกแล้วดึงถุงทึบเราเลยมองไม่เห็นของที่อยู่ในถุงนี้ ถ้ามันใสเหมือนถุงพลาสติกนี่ยเราก็จะเห็นเห็นหน้าคนก็จะเห็นโครงกระดูกอยู่ใต้เขาหนะนี่เราไม่เห็นกระโหลกศีรษะเขาถ้าถ้าหน้าเราใสาเป็นเหมือนกับกระจกหรือเหมือ น, นกับถุงพลาสติกนี่คงไม่สวยงาม น, นะเพรจะเห็นกระโหลกศีรษะที่มันที่มันหุ้มหอถูกหุ้มหออยู่เราไม่เห็นหุ้มหอกระโหลกศีรษะหน้าเราเนี่ย เราเห็นแต่เพียงผิวหนังเลยแต่เราไม่เห็นกระโหลกศีรษะที่อยู่ภายใต้ภายภายใต้ผิวหนังเราก็หลงนับกระโหลกศีรษะโดยไม่รู้สึกตัวพอเจอกระโหลกศีรษะจริงๆก็ถอยเลยเวลาไปไปตามศุกษาเวลาต้องไปเก็บกระดูกเนี่ยเก็บกระโหลกศีรษะอันก็เห็นเราก็ไม่อยากได้กัน แต่เวลาที่มีหนังุ่งห่อหน่อยก็กลับแย่งกันยากได้กันพอมองไม่เห็นว่าหนังมันพุ่งห่ออะไรอยู่เห็นไหมหน้าตาเราเวลาเรากระจกเห็นกระโหลกศีรษะเราไหมไม่เคยเห็นเลย่นี้แต่เราสามารถเห็นได้ด้วยการนึกเราไม่ได้เห็นด้วยตาเนี้เราต้องเห็นด้วยตาไงตาในนี้ต้องนึกต้องไปดูกะโหลกศีรษะในปาาช้าหรือ ในโงรงพยาบาลที่เขา้งมีจัดทํานิทรรศการเกี่ยวกับร่างกายก็ไปดูนิทรรศการของร่างกายเขาจะมีโรลก็อยู่ให้ดูเขาจะมีอวัยวะต่างๆของร่างกายให้ดู่หรือก็ดูเข้าผ่าศพก็ได้เวลาเข้าสอง น, นักศึกษาแพทย์เขาจะต้องช้กระสุนเขาต้องผ่าศพออกมาเพื่อได้เห็นอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ ภายใต้ผีวหนังเพื่อเขาจะได้ศึกษาแลวจะได้รู้จักวิธีดูแลรักษาแต่เราก็ดูแต่ดูคนระแบบเขาดูเพว่ดูแลรักษาเราดูพวกตัดูเพื่อให้เห็นความจริงของร่างกายว่ามันไม่สวยไงาม น, นี่คือลักษณะของปัญญาที่จะทำให้ใจของเรานี้ตักความอยากต่างๆได้หมด พออยากอะไรถ้าเห็นว่ามันเป็นทุกข์เห็นว่ามันไม่เทีย่ยงเห็นว่ามันไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงเห็นสมบัติชั่วคราวเนื้อไม่สวยไม่งามเนื้อถ้าเป็นอาหารก็ไม่ง่ายรับประทานเวลาที่เราจะรับประทานอาหารเราก็ต้องนึกถึงอนาคตของอาหารที่เรารับประทานว่าจากจานมันก็ต้องเข้ามาในปากจากในปากมันก็ต้องเข้าไปในกระเพาะ พอเข้าไปในตาแล้วมนันนะ่ากินมันน่าดูนะแล้วเวลามันมันอยู่ในกระเพาะเวลามันอยู่ในลำไส้เแล้วเวลามันถ่ายออกมานะี่มาเีก น, นิดหนึ่งก็เสร็จตอนนี้มันถอนตันนี้ตัวนั้นไม่เป็นปัญหาแะ้มันก็ได้เห็นส่วน ในส่วนที่ไม่สวยงามของสิ่งต่างๆมันก็จะทําให้เราไม่อยากได้ไม่อยากมีแล้วก็อยู่แบบไม่มีอะไรดีกว่าไม่มีอะไรก็จะไม่มีอะไรทําให้เราทุกแลวไม่มีอะไรที่จะเด่นให้เรากลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายต่อไปนี่คือเรื่องของบุญต่างๆที่ เราจะแจวสอนในเรื่องเราทาาํากันจนใหญ่เราจะทําแค่บุญที่เกิดจากการให้ทานแล้วก็บุญที่เกิดจากการไม่ทาําบาปืกอการรักษาศีลแต่เราจะไม่ไล่ไปถึงบุญที่สูงกว่าคือบุญที่เกิดจกากการทําใจให้สงบนั่งสมาธิทาใจให้สงบแล้วบุญที่เกิดจากการมีปัญญาที่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องนี้น เป็นทุกข์ไม่น่ายู่ไม่สวยงายเป็นของชั่วคราวสวยงายชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ต้องเสื่อมเดี๋ยวมันก็ต้องหจบไปถ้าเห็นทุกอย่างในโลกนี้ว่าเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นสมบัติชั่วคราวเราก็จะหยุบความอยากต่างๆได้หยุบความอยากได้ราบลดสารเสพติดหยุบความอยากได้รูปเสียงกิ่นลดปกติปะ หยุดความเนี่ยได้แฟนได้สามีได้ภรรยาได้ลูกได้อะไรต่างๆแล้วก็อยู่กับความสงบเพียงอย่างเดียวพ่าความสงบนี้แหละเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นสมบัติของเราที่แท้จริงเป็นสมบัติที่ไม่เสื่อมไม่ทุกเป็นของเราเป็นนิจแจงสุขกลงหนักตาคือความสุขที่ได้จากความสงบนี้ ความสงบของใจนี่แหละเป็นนิจจังสุ ข, ขังอัตตาเป็นนิบานวน์พมังสุขขังตอนต้นก็เป็นสมาธิไปก่อนเป็นความสุขชั่วคราวแล้วพอมีปัญญาก็จะสามารถทําให้เป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสงบที่ถาวรเมื่อมีปัญญาแล้วก็จะทําให้ใจไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปไม่ต้องมามีร่างกาย ไม่ต้องมาแก่มาเจ็ดมาตาเนี่ยยังไม่เวลาเจ็บก้างอยากจะได้บุญขึ้นมาเวลาหายก็เลิ่เวลาหายก็ไปเที่ยวต่อไปกินไปเล่นต่อเพราะมันติดเหมือนยาเสพติดของพวกนี้เป็นเหมือนยาเสพติดนะพอเสพแล้วติดไม่เชื่อลองดูเลยเดือมกาแฟมาเกลี่ยเกิี่ยถ้วยแนละ้วพอหรือยังดูหนังมากี่ยเรื่องแนละ้วพอหรือยังบังเพลงมากี่เพลงแล้วพอหรือยัง มัาไม่มีวันพอของพวกนี้มีใจมาเกลคนแล้วพอไหมมันต้องมีอยู่เรื่อยๆเพราะไม่มีมันเหมือนกับขาดลมหายใจมันจะตายให้ได้เหมือนพวกที่ติดยาเสพติดพอไม่ได้เสพนี้จะลงแรงตายให้ได้แต่เราฝืนได้เราหยุดนได้แต่เราต้องมีสมาธิถ้าไม่มีสมาธิเราจะไม่มีกําลังถ้ามีสมาธิมมสมาธิจะเป็นความสุด ทดแทนมันมีความสุขที่ได้จากสมาธิที่ดีกว่าความสุขที่เราได้จากการมีแฟนเราอยู่กับสมาธิดีกว่าความสุขที่ได้จากแฟนมนมีความทุกข์แทนมาด้วยเวลาทะเลาะ ก, กันเวลาไม่ได้เจอกันเวลาจากกันมันจะเป็นทุกข์กันดันั้นเราต้องมาฝึกเจริญสมาธิกันให้ได้ก่อน ทำใจให้สงบภายไน้แล้วเราจะมีความสุขในตัวเราแล้วเราก็จะมีกาลังหยุดความอยากต่างๆได้ด้วยปัญญาปัญญาจะบอกว่ามันเป็นทุกข์สิ่งต่างๆที่เราอยากได้มันเป็นทุกข์ทุกเพราะว่ามันไม่มันไม่ถาวรมันเป็นของชั่วคราวได้มานะเดี๋ยวมันก็ต้องจากมาไปเชี่ยเช่นดื่มกาแฟพอเดืดปั้มมันก็หมดละกลายเป็นปัสสาวะไปละก็ต้องดื่มใหม่ เดินเกลือ่วยมันก็การเป็นปัสสวาวะไปทุกถ้วยพอหมวดแล้วมันก็อยากจะดื่มหม่เพราะว่าถ้าไม่ได้ดื่มมันก็ทุกข์แต่ถ้าเราฝืนยมยำยำทุกข์แต่เราจะไม่ทุกข์ถ้าเรามีสมาธิเพราะเรามีความสุขที่จะมาสู้กับความทุกข์ที่ได้จากความทุกข์ที่เกิดจากความอยากของตกาแฟแล้วจะทําให้เราไม่เดือดร้อนกับความ ทุกที่เกิดจากการไม่ได้ดื่มกาแฟพอเราไม่ได้ดื่มชั่วพักหนึ่งความอยากมันก็จะหมดกำลังไปแล้วมันก็จะไม่มารบกวนเราอีกต่อไปเราจะอยู่เฉยๆไม่ดื่มกาแฟได้นี่คือการการทําบุญต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนอบุญที่เราทํากันในช่วงที่ไม่มีพระพุทธศาสนานี้ มันก็ส่งให้เราไปได้แค่สวรรค์ชั้นโถมแล้วก็เป็นสว่วนชั่วคราวแล้วพอบุญหมดมันก็จะให้เรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กาบมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาทำบุญใหม่ส่วนพวกที่ทำบาป ก, ก็เหมือนกันพาไปทำบาปหมดก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาทำบาปใหม่เพราะนิสัยมันติดอยู่ในใจมันไม่ได้หมดไปกับ บาป ก, กับบุญได้ที่ได้หมกไปควนที่ทำบุญมีนิสัยทำบุญก็จะกลับมาทำบุญต่อคนที่มีนิสัยทำบาปก็จะกลับมาทำบาปต่อแต่ก็จะทำได้นี้ต้องทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้มาพบกับพระพุทธประธรรมพระสง์ที่จะสอนวิธีที่จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดหม่โดยการมาดับความอยากกันโดยการทำใจให้สงบ โดยการนั่งสมาธิโดยการเจริญสติเพราะสมาธิจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีสติวิธีเจริญสติก็ให้หยุดความคิดต่างๆไม่ให้คิดเนืให้คิดอยู่กับเลื่องเรวเช่นคิดอยู่กับคำดนกรรมพุทโธพุทโธตั้งมราอยู่กับพุทโธพุทโธเราก็จะไปคิดถึงกาแฟไม่ได้คิดถึงใครไม่ได้คิดถึงโน้ตเสียงเกลียดต่างๆไม่ได้ มันก็จะทําให้ใจเราเน่งสงบว่าไม่มีความอยากพอเราหยุดพุดโทโธเมื่อไหร่เราไปคิดถึงข น, นมนมเนยเ ม, มื่อไร่ก็เกิดความอยากขึ้นก็ทําให้ใจหิวขึ้นมาใจไม่สงบขึ้นมนั้นเราต้องพยายามฝึกสติเจริญสติเพราะสตินี้จะทําให้ใจเราเนิ่งให้เราใจเราสงบใหใจมีความสุขให้ใจมีความอิ่ม ไม่หิวไม่มีความอยากแต่พอออกจากสมาธิมาก็ต้องใช้ปัญญาเพื่อจะได้กําจัดความอยากอยาก่างถาวอนถ้ากําจัดด้วยพุโทโธกําจัดด้วยสติก็ชัว่วขณะที่เราพุโทโธถ้าเราพุโทโธอยู่มันก็คิดถึงขนมนมเนไม่ได้แต่พอเราหยุดพุทโธปั๊บเดี๋ยวเพลันไปคิดแลคิดเยอะพอคิดถึงข น, น, นมนมเนก็อยากขึ้นมาแต่ถ้าใช้ปัญญามาสกัด ขนมนมเะไรมันเข้าไปในท้องมันก็ออกมามก็กลายเป็นอุดจาราดไป่ถ้าเห็นว่าเป็นอุดจาราดก็มันก็จะไม่อยากกินนี่คือวิธีแก้ความอยากมันตา่างด้วยปัญญาแต่ก่อนจะแก้ได้ต้องมีสมาธิ่อนถ้าไม่มีสมาธิจะไม่มีกําลังสู้พออยากแล้วใจนี้อ่อนก็เหมือนเทียนโดนโดนไฟเลยไม่มีกําลังที่จะสู้มีแต่คิด อยากไ้หาเสศษที่อยากเพีอย่างเดียวแต่ถ้ามีสมาธิถ้ามีปัญญาสอนตัอย่างไปทำ น, นี้มันจะฝืนได้มันจะซชื่อได้มันจะหยุดได้หยุดความอยากได้ถ้าหยุดความอยากต่างๆที่มีในใจให้หมดไปได้ความอยากที่พาเรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปเราก็อยู่ ีนิพพาอยู่กับข้อพระพุทธเจ้าอยู่กับพระอรหันตสาวกอยู่บนสวรรค์ชั้นสูงสุดในโลกเทตในสวรรค์มีทั้งสวรรค์มีทั้งนรกต่ำสุดก็นรกสูงสุดก็นิพพานพระนิพานน่คือจิตใจของพวกเราที่ตอนนี้ก็อยู่ในโลกทิทติแต่อยู่ในระดับของมณิ้รของเทวดาถ้าทำบุญก็อยู่ในระดับของเทวดา ถ้าไม่ได้ทำบุญถ้าก็ไม่ได้ทำบาป ก, ก็อยู่ในระดับของมนุษย์ถ้าทำบาป ก, ก็เลื่อนลงไปเป็นเดรัจรานเต็มเต็มไปทั้งๆ ท, ที่ยังมีร่างกายอยู่แต่ใจนี่มันไปเป็นอย่างอื่นแล้วเป็นไปตามบุญตามบาปที่ทำไว้พอไม่มีร่างกายก็จะไปเป็นอย่างเต็มเต็มรูปแบบถ้าเป็นเดรัจฉานก็จะไปได้ร่างกายของเดรัจฉานต่อไป ถ้าเป็นเปรก็จะเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหยที่จะมาคอยขอรับส่วนบุญจากผู้อื่นถ้าเป็นอารมณก็เป็นดวงวิญญาณที่ร้อนด้วยความโกรธเกลียดเคียดแค้นอัการะทะบัดถ้าเป็นบุญเป็นเทวดาก็เป็นดวงวิญญาณดวงวิญญาณที่เย็นที่สบายที่มีความสุขเป็นใจของเราเป็นอย่างนี้จใจของเราไม่ได้อยู่ในร่างกาย อยู่ในโลกคิดแต่มาเชื่อมต่อกับร่างกายด้วยกระแสะกระแสะกระแสวิญญาณใจส่งกระแสวิญญาณมาเกาะติดกับตาหูจมูกเลียงกายเลยทําให้เราขึ้นว่าเราเป็นร่างกายแต่จริงเราเพียงแต่มาใช้ร่างกายเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นเครื่องมือให้ดูรูปเสียงกิริบต่างๆได้ พอร่างกายตายไปใจเราก็ปาปตามอหนาของบุญของบาปที่เป็นอยู่พออำนาจบุญบาปหมดก็กลับมาได้ร่างกายใหม่มาเป็นมนุษย์ใหม่จงกว่จะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาที่จะสอนให้เราหยุดความอยากต่างๆให้หมดไปพอไม่มีความอยากอยู่ในใจใจก็จะไม่มามีร่างกายอีกต่อไปใจก็จะอยู่บนสวรรค์ชั้นสูงสุดคือพระวิพาก ทีไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันไม่มีวันตอบยังมานี่คือเรื่องของบุญต่างๆที่เราสามารถทํากันได้ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่งันให้ใหรียทํากันอย่าประมาลอ เ, เวลาแก่เวลาเจ็บหรือเวลาตายนี้จะไม่ได้ทําแล้วก็ให้คนอื่นทำให้ก็ไม่ได้ต้องทํากันเองก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา ญาุโมทนาให้พรยมธาวาเรวะหาตุราปาเลโกเลติสาคารังเอวเมวะยโตทินังเปตานังอุปกาปะติย e ทีิตังปะที่ตังตุหังทิพเมวะสมิจโตสเพตุเรนตุสังกะฟา จันโทปะนะราโสยะทามะนิโทติระโสยะทาสัพพิติโยวิวาจันโุสัพพะโรโวินัสโตมาเตขวตตะวันตาลายโสุขีทีคายุโกขวาวะพิวะทะสีนิสสะนิจังุทาปะจายโน ยตาโรทาาวทาติอายุวันโยสุขังภาลางนีนัเเนเกเสี่ยไม่ใช่เหรนักเสียงประวัติหลวงปู่มั่นแล้วจะเกิดจัดทาอยากจะทำบุญอยากจะอยากจะนั่งสมาธิ นังสือประวัติของครูอาจารย์ก็จะทําให้เรามีศรัทธาเพราท่านก็เป็นคนธรรมดาเหมือนเราพอท่านมีศรัทธาในพระพุทธธรรมพสงฆท่านก็ศึกษากท่านก็ปฏิบัติพอปฏิบัติท่านก็บรรลุได้ผลทําให้เรามีกําลังใจว่าเราก็ทําได้ท่านก็ทําได้เราก็ทําได้โดที่พา ย, ยายามท่านเนี ควารพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นถ้าเราไม่ได้อ่านไม่ได้ศึกษาเรากลาดไปที่ว่าท่านเป็นบุคคลพิเศษเหนือเหนือกว่าพวกเราแต่ความจริงนี้ท่านก็เป็นคนธรรมดาสามงองเหมือนพวกเราออขอให้เรามีความเพียรพยายามปฏิบัติสารข้อใหญ่ๆทางศีลภาวนาทางวนทางทาง พยายามไปเที่ยวไปกินไปเล่นกันมาทำวิ่งทำทางอะไรแบบนี้เสียงก็รักษาให้ดีเสียงห้าก่อนแล้วก็เสียแปดทำจากน้อยแต่หามากทำจากง่ายแต่หายากทําได้ถ้ามีความพยายามทำทีละก้าวเหมือนกับเรียนหนังสือเวลาเราเรื่องอนุบาลนี้เราไม่เคยคิดว่าจะไปจบที่ปริญญากันนะ พอเรียนไปสำนักขึ้นไปเรื่องชั้นขึ้นไปเรื่อยๆทายานทําทางแล้วเดี๋ยวเก็จะรักษาศีลด้วยรษาศีลห้าได้ก็จะรักษาศีลแปดต่อได้รักษาศีลแปดได้ก็นั่งสมาธิได้นั่งไปเดี๋ยวก็จิตก็สงบสงบก็จะมีกําลังอยากจะนั่งมากขึ้นก็อยากจะบวชน้เพราะเป็นคารวะมึงเวลาไม่ทอ ต้องมองัวต้องยุ่งกับเรื่องภาระต่างๆก็เลยตัดภาระ ด, ดีกว่ายกสมบัติให้คนอื่นไป้ไปอยู่คนเดียวไปบวช ด, ดีกว่าจะได้มีเวลาทําสมาธิได้ตลอดเวลาพอทํำตลอดเวลาเดี๋ยวมันก็มันก็ได้ผลแลได้บรรลุแล้วมันไม่ยากหรอกอยู่ที่เราจะหาเวลามาทําได้หรือเปล่าที่มันยากเพราะเราหาเวลามาทำกันไม่ได้ เพาเราไม่รู้ว่าเราดีวิธีที่เราจะหาเวลากันได้นำมัวไปเต็ดกับคนนั้นคนนี้กับเรื่องนั้นเร่องนี้กับข้าของเงินทองมันก็เลยทำให้เราตัดไม่ได้ถ้าเรามองว่าเดี๋ยวเราก็ตายแล้วนะพอเราตายแล้วข้าของเงินทองกับคนต่างๆนี่าอาไปได้หรือเปล่าเราก็าไปไม่ได้นะ แล้วเขาอยู่ต่อไปได้หรื อ, ปอเปล่าเพราะเอยู่ของเขาได้เราตายไปแล้วอย่าไปคิดว่าเขาจะตายตามเราเขาไม่ตายตามเราหรอกเขาก็ดิ้นรนต่อไปมีไป็นดีๆกับตอนที่เราอยู่ใี่ก็ได้เราอาจจะอยู่แล้วขวางความจเจริญของเขาก็ได้บางทีเราที่บอว่าเราสำคัญถ้าเราตายไปแล้วทขทุกคนจะเดือดร้อนบางทีทุกคนก็อาจจะสาวทุก็ได้ตายก็ได้ก็ดี อาจารย์เจ้าคะคือหนูเข้าใจถูกไหมเจ้าคะคือว่าสิ่งไรสิ่งที่เราทําปัจจุบันนี้คือเราทําดีทำทำบุญเป็นประจํารักษาศีลเป็นประจําคือทําเป็นจนิดแล้วก็เวลาที่เราจะจากโลกนี้ไปเราก็จะไปในภพภูมิที่ดีหนูเข้าใจถูกใช่ไหมเจ้าคะอ่ก็อยู่ที่ความดีเนแล้วมันอยู่ที่เราทําซ้ําๆอยู่ในชีวิตประจำ<ย>ด้วยใช่ไหมเจ้าคะยิ่งทํามากก็ได้มากเหมือนเอาเงินไปฝากธนาคารถ้าฝากบ่อยมันก็ได้มากเนี่ย ถ้าฝากปีละขนมันก็ได้นม่เท่ไรถ้าฝากทุกวันฝากทุกวันขนก็มากขึ้นมากขึ้นไปแล้วตอนนี้มันจะดันให้เราไปในทิศทางที่ดีไปสวรรค์ชั้นต่างๆไปสวรรค์ชั้นเทพชั้นคงไปสวรรค์ชั้นอริยเจ้าไปพันวิภัณก็อยู่การทําบุญสามข้อเนี่ยทำทานรักษาศีงภาวนาภาวนาก็คือสึกจิตให้สงกไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิบริกรรมพุโทโธ ดูลงหายใจแล้วก็พิจารณาปัญญาถ้าเห็นว่าทุอย่างเป็นทุกข์ในนม ล, ลูกเป็นทุกข์สามีเป็นทุกข์ทรัพย์สมบัติเข้าของเป็นทุกข์ไม่เอาดีกว่าไปบวช ด, ดีกว่ า, าตามทุกอยาก่างแล้วก็จะถึงนิพพานไม่มีความอยากเหลืออยู่ยในใจก็จิตก็เป็นนิพพานอยู่ที่การกระทํา รู้แล้วไม่ทำก็ไม่ได้ทำโดยที่ไม่รู้ว่าทำอย่างไรก็ไม่ก็ทำไม่ถูกต้องเรียนรู้ก่อนว่าวิธีที่จะไปนิพพานนี้ไปอย่างไรเอารู้วิธีแล้วก็ต้องทำตามที่วิธีที่เราได้เรียนรู้มาทำเรียนแล้วเราไม่ทำมันก็ไม่ได้รู้ว่าต้องทำทางแต่เอาเงินไปเที่ยว อ, อยู่ด้วยเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยเอาไปกินเอาไปเล่นก็จะไม่ก็จะไม่สามารถที่จะ ไปถึงที่ผ่านได้เพราะจะติดอยู่กับการเที่ยวการเล่นการชิมการอะไรอยู่นี่อยู่เรื่อยๆต้องตัดมันไปด้วยการเอาเงินที่จะไปกินไปเที่ยวน้ไปทําบุญแทนทําบุญแล้วก็จะทาให้เรารักษาศินได้คนที่ทําบุญจะไม่ชอบทําบาปแต่คนที่ไม่ทําบุญนี่มักจะชอบทบาําบาปเพราะอยากจะหาเงินง่ายๆเร็วๆมากๆ ก, ก็ต้องมักจะต้องโกหกบ้างนักจะต้องชอบโกหกมาก ก็จะไม่สามารถรักษาสีนได้พอได้เงินอยากได้เงินมาม า, มากๆเพื่อไปกินนะไปเที่ยวอไปเล่นไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆนะซื้อเท่าไหร่ก็ไม่พอของพุกนี้มันก็ยิ่งทําให้ต้องหาเงินมากขึ้นวิธีสหหาได้มากได้ง่ายได้เร็วก็ต้องทําบาปโกหกหลอกลวงช่อโกงหร้อบางทีอาจจะต้องฆ่ากา็ได้ แต่ถ้าทําบุญบ่อยๆแล้วจะไม่ชอบทบําบาปทาบุญแล้วมีความสุขถึงคนอื่นเขามีความสุขจากการทําบุญของเราก็ทําให้เรามีความสุขก็จะไม่อยากทําให้คนอื่นเขาทุกข์เพราะรู้ว่าเวลาทําให้คนอื่นเขาทุกข์เราก็ต้องทุกข์ด้วยเราจะไม่สบายใจก็จะทําให้เรารักษาศินห้าได้เรรักษาศีนห้าได้ก็รักษาสินแปเพิ่มอีกสาข้อก็ไม่ยากนะ ก็ลองรักษาสีไกในวันพระก่อนวันธรรมดาก็รักษาสีหน้าไปวันพระในวันหยุดทํางานที่ไม่ต้องไปทํางานก็ลองรักษาสีไกดูอยู่บ้านแล้วก็ลองฝึกนั่งสมาธิดูเลือกเลือกใช้ร่างกายหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วการมาใช้ใจเป็นวิธีเป็นเครื่องมือหาความสุข ด, ด้วยการฝึกนั่งสมาธิตอนต้นก็ไหว้พระสวดมนต์ไปก่อน การส่วนนวลก็เป็นอุบายที่จะทำให้เรามีสติเพราะเวลาเราส่วนเราก็จะไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ไ่ด้การนั่นงสมาธิเพื่อหยุดคิดนี่เราก็ต้องใช้อุบายให้มันหยุดคิดเพราะถ้าให้สั่งให้มันหยุดคิดเฉยงไม่หยุดมันชอบคิดไปเรื่อยๆต้องให้มันให้มันคิดไปในเรื่องที่ทให้ใจไม่ไม่คุงทาให้ใจสงบ ให้คิดอยู่กับบทสวดมนต์สวดตัณยนานแล้วใจก็จะเย็นจะเบาจะสบายแล้วก็จะมีกาลังเพ่งดูลมหายใจเข้าออกได้ถ้าเพ่งโดยไม่คิดถึงเมื่ออะไรเดี๋ยวใจก็รวมเป็นสมาธิถึงแล้วก็จะพบกับความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จะผ่านทางร่างกายผ่านทางรูปเสียงกลิ่นรสก็จะทำให้ไม่ต้องไป ไปเที่ยวไปเล่นไปกินไปดื่มนนะั้นตเพราะความสุขจากการเที่ยวการเล่นการกินการดื่มนนะั่นคือความสุขที่ได้จากการทําใจให้สงบไม่ได้ก็จะทําให้ไม่ต้องไปทํางานแนละ้วไม่ต้องไปหาเงินแนละ้วว่ไม่ต้องไปซื้อของต่างๆแล้วเพราะนั่งเฉยๆก็มีความสุขได้สบายกว่าเป็นความสุขที่ดีกว่าก็อยากจะนั่งไปเรื่อยๆก็อยากจะบวชครับ ถ้าจะเจอความสงบที่เกิดจากการนั่งสมาธิแล้วก็จะติดใจเราจะเบื่อความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปเล่นก็จะหาเวลามาปฏิบัติมากขึ้นมากขึ้นพอปฏิบัติยิ่งมากยิ่งได้ความสงบมากขึ้นได้ได้นานขึ้นก็ยิ่งจะทาให้เบื่อกับเรื่องของทางร่างกาย ยิงเห็นร่างกายว่าต่อไปจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพึ่งมันไม่ได้แนละก็เลยไม่เอามัานี้่าไม่เพิ่มความสุขทางร่างกายดีกว่าถ้าบวชได้ก็บวชนะบวชแล้วจะได้ปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ได้สร้างความสงบได้เต็มที่ได้ตลอดเวลาแล้วถ้าได้ใช้ปัญญาก็จะสามารถตัดความอยากต่างๆที่จะมาคอยทางานความสงบได้ พอไม่มีความอยากหลงเหนือยอยู่ในใจแล้วใจก็จะสงบไปตลอดไม่ต้องทำอะไรแนละ้วอยู่เฉยๆก็สงบไม่ต้องฟุดโทไม่ต้องนั่งสมาธิไม่ต้องรูลงตัวที่ทำให้ใจไม่สงบ ก, ก็คือความอยากต่างๆนี้พอเรากำจัดความอยากต่างๆได้หมดแนละ้วมันก็จะไม่มีอะไรมากวนใจต่อไปใจก็จะสงบอย่างถาวรใจที่สงบถาวรเราเรียกวมิมพานใจที่ไม่มีความโลภกดหลงไม่มีความอยาก ถ้มีเท่านี้ยอยู่ในตัวเราเป็นการปรับปรุงตัวเราเองพัฒนาตัวเราเองพัฒนาใจของเราให้เป็นใจที่มีแต่ความสุขตอนนี้เราใจของเราชอบสร้างความทุกข์ขึ้นมาเองพออยากปั๊บมันก็ทุกข์แล้วอยากให้แฟนทําอย่างนั้นทางนี้พอก็ไม่ทําก็ทุกข์แล้วถ้าไม่เป็นอยากก็ไม่ทุกข์ก็จะทำอะไรก็ไม่ของของเขาเขาอยากจะกินเหล้าก็ปล่อยเขากินไป เรากลัวเขาตายไม่ใช่หลยเพราะเขาตายแล้วเราไม่มีคนหาเงินให้เราใช้คราต้องนี้ยงอยางกินแล้วไม่ใช่เพราะว่าเราลักเขาหเราเสียดายคนที่จะหาเงินให้เราต่างหากถ้าเขาไม่หาเงินให้เราเขาจะกินแล้วจนจนจนตายเราก็ไม่เดือดร้อนใช่ไหมย่างเรายาังเรายังต้องพึ่งเขาอยู่เราก็เลยยังต้องให้เขาอยู่ไป็นนานๆพอก็าไปทํางานที่เสี่ยงต่อความตายมันเข า, เาก็เลยไม่อยากให้เขาทา พอเขาทำเราก็เลยไม่สบายใจทุกใจขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่ต้องอาศัยขเขาแล้เขาจะเป็นจะตายไงเขาจะทำอะไรเราก็ไม่สนใจถ้าเราบานั่งสมาธิทำใจให้สงบได้มีความสุขจากการนั่งสมาธิได้เราก็ไม่สนใจเขาจะอยู่จะตายเพราะเราไม่ต้องพึ่งเขาเราก็จะไม่ทุกกับเขาเพราะเราจะไม่มีความอยากให้เขาทำอย่างนั้นเมือทาอย่างนี้เราจะอยู่จะตายก็เท่ากัน ขออนุญาตค่ะเอ่อตอนนี้แล้วก็ปฏิบัติโดยการเจริยมสติในชีวิตประจำวันเท่าที่เห็นสภาวะก็คือเห็นมีความอยากเราจะเกิดความบีบคั้นทางจิตขึ้นมาทุกครั้งที่มีความอยากพอเห็นหลักหนเข้ามันก็จะเปลีนน่ยนนะจะเความอยากของตัวเองลดลดลงด้วยการที่เราฝึกยการย่าค่ะ เราจิดก็จะสงบเป็นพังคาวถ้าจะรู้ได้ว่าจิตสงบแล้วจะ ป, ปรบปาบเรื่อในการรู้สภาวะแล้วแข็เกิดตับได้ง่ายอตอนนี้เห็นเอก็ะจะเห็นรูปเกิดตับเป็นพังคาวเหมือนกันเห็นลมเกิดขึ้นแล้วตังตมันก็ตับเองอซึ่งไม่เกี่ยวกับจิตเลยจิตกับร่างกายคนส่วนกันก็อันนี้เออ เดินทางมาเส้นี้ค่ะเจอเห็นทุกข์มากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าในการเห็นทุกข์ครั้งหวังๆนี้จะมีจิตจะไม่เข้าไปควกคุมความทุกข์มันเกิดขึ้นแล้วมันดับเองได้เป็นการพาวค่ะก็ะถ้ามันดับได้ก็ใช้ได้ทุกข์เกิดแล้วถ้ามันไม่ดับก็ต้องหาวิธีดับมันให้ได้คือจะดับก็ต้องใช้ปัญญาใช้สติ ถ้าใช้จติตกระดับชั่วขาวถ้าทุกข์กับคนนั่นคนนี้ก็พูดโทพูดโทรไปก็ลืมเขาไปชั่วขาวพอลืมเท่าไปเราก็หายทุกข์แต่พอเรากลับไปคิดถึงเขาอีกเราก็จะทุกข์อีกตอนนี้หนูแต่พอนนีอยู่คนเดียวไม่มีครอบครัวแล้วก็ไม่อันนี้หมานถึงไม่ว่าจะเป็นอะไระเป็นคนหี่เป็นเรื่องราวหรืออะไรต่าง อาจารยเรายังทุกข์อยู่กับเขาอยู่แเราก็ต้องเลืนใจเราออกจากเขาไปอย่าไปคิดถึงเขาแต่ถ้าใช้สติมันก็จะดับความทุกข์ได้ชั่วคราวพอเรากลับไปคิดถึงเขาอีกก็จะทุกข์อีกถ้าอยากจะให้ไม่ทุกข์เลยก็ต้องตัดความอยากในตัวเขาในสิ่งนั้นไปกกปล่อยเขาไปเขาจะเป็นไงก็เรื่องของเขาจะเห็นกรมมาคุณเป็นโทษเป็นโทษหมังครางคราวแล้วก็ ต้องเห็ น, หนไลอดเวลาใช่บางทีได้ยินเสียงกระทบหูเนี่ยจะเกิดความเจ็บปวดทางหูคือฤทธิ์กเกิดขึ้นไม่มีความอยากยาใช่ค่ะอย่าใหกกินเสียงดิีพอเสียงไม่ดีเลยทุกข<ช>์ค่ะแต่บางครั้งเสียงกระทบแล้ววางเฉยได้เป็นข่าๆถ้าฝาฟังเก่งเหมือนกันต้องยอมรับ ว, ว่ามันมาเป็นไปใช่โสังมันไม่ได้ค่ะจะเห็นตรงตรงนี้เป็นการข่าวอยู่ที่ใจว่าเฉยกับสิ่งทุกอย่างได้ป่าที่มาสัมผัสรับดู เฉยๆรูปเสียงกลิ่นดได้หเป่าเฉยกับคนนั้นคนนี้ได้หรือเปล่าก็สุดไปได้จนการยอมรับเฉยกับร่างกายได้หรือเปล่าเฉยกับทุกขเวทนาได้หรือเปล่าบางทีเห็นทุกขเวทนาแ ย, ยากเป็นโครโซนซึ่งซึ่งไม่เกี่ยว กับจิตนะคะจิตอยู่ต่างหากหลแล้วทุกเวท น, นาดับของมันเองแต่บางทีบางทีมันอยู่ต่างหากเนี่ยมันยดมันยังมีอยู่แต่ว่าจิตเราไม่ได้เดือดร้อนนั่นแหละเราต้องไม่เดือดร้อนกับทุกสิ่งทุกอย่างที่จิตมาสัมผัสรับรู้ไม่ว่าจะเป็นของภายนอกร่างกายเป็นของภายในร่างกายด้วยภายในใจต้องเฉยกับทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้หมดไม่ทุกไม่เดือดร้อนกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามาสัมผัสรับรู้ กับเรียนอาจารย์ฮะถ้าสมมุติว่าถ้าเราไปบวชใช่ไหมฮะมันก็เหมือนกับเราเราทิ้งคนในครอบครัวเลยจะเอาเห็นแก่ตัวเกินไปป่ะครับไม่เราตายเราทิ้งก็ป่ะเวลาตายนี่เห็นแกบตัวป่ะครับครับคือทิ้งไปนนี่เห็นแก่คือถ้าทิ้งตายเวลาตายนี่เราไม่ได้ยินนะฮะเราเราไปบวชแล้วได้ยินก็เราต้องใช้ปัญญาสู้อะใช่ไหมเราใช้เหตุผลสิ เ้วทิ้งทิ้งเป็นกับทิ้งตายมันต่างกันตรงไหนก็ทิ้งของเหมือนกันนะก็ ถ, ถ้าทิ้งเป็นแล้วก็ทิ้งให้เขาสบายก่อนเแล้วค่อยไปเรามีทรัพย์สมบัติอะไรเราก็ยกให้เขาเขาอยู่ได้คือเราก็ต้องดูว่าเขาอยู่ได้หรือเปล่าถ้าเขาพึ่งเราถ้าเราไปห้องเดือดร้อนเราก็กไปไม่ได้เราก็ต้องหาวิธีที่ทำให้เขาไม่เดือดร้อนเวลาที่เราไป ก็ต้องถ้าเรามีภาระเราก็ต้องหาอะไรมาทําแทนเราเก็บเงินให้เขาสักก้อนยกเงินให้เขาไปใครก็ใช้เงินเขาไม่ได้ต้องการตัวเราหรอกเขต้องการเงินเรามากกว่าใจเจอเลยเราไม่มีเงินไปก่อเข้ากินเขาอยากจะถีบเราไปเร็วๆแต่กลางคืนครับใจเลือเล ตอนที่เราบวช น, นี่มีการเล่าหผมเล่าง่ายเพราะเราไม่มีกานให้ขันไม่มีใครก็เพิ่งหนัมีแต่เราเพิ่งเขาพอเราไปบวชเขาอะไรดีใจหลอดพวงวันนี้กลับมาเ้่าไหร่น Facebook วันนี้เ c e b o ๊ k สูงสุด3 6 5ค่ะสัญญาณไม่ดีค่ะไม่ดีถ้ายูทูบสูงสุด72ค่ะสัญญาณก็ไม่ดีเหมือนกันก็400รวมกัน400ปกติรวมกันก็500ไป100นี่เะไรบ้่งท่านคะคำว่าวิปัสสนากับพำว่ากรรมฐานต่างกันอย่างไรครับท่านอะเขาอคว่าวิปัสสนาแปลว่าความรู้แจ้งเห็นจริงส่วนกรรมฐานนี่ เรียกว่าเป็นอารมณ์ที่เราใช้ในการสร้างสติเวลาเราอยากจะมีสตินี่เราต้องมีกรรมฐานเป็นตัวสร้างขึ้นมาเช่นการเราเลกถึงพระพุทธเจ้านี่ก็เป็นกรรมฐานอย่างเวลาแล้วพระพุทธสวดอิปิปิโสนี่ก็เป็นการเจริญกรรมฐานพุทธานุสติการสร้างสติด้วยการเราเลิกถึงพระพุทธคุณ หรือเราเลืกถึงชื่อของพระพุทธเจ้าที่เราบริกรรมพุทโธพุทโธไปเนี่ยแสดงว่าเรากําลังฝึกสติกําลังสร้างสติขึ้นมากรรมฐานนี่มีอยู่สีชนิดด้วยกันวิธีสร้างสตินี่มีอยู่40วิธีจะใช้พระพุทธเจ้าก็ได้ใช้พระธรรมคําสอนก็ได้ใช้พระอริยสมุปตะถ้าใช้พระธรรมคาสอนก็สวดบทพระธรรมคุณไปสวาสคาโตหรือว่าจะท่องคําว่าธรโมธรโมไปก็ได้ ถ้าใช้สังถ้าใช้พระอริยสงฆ์ก็สวดบทสุปติปันโนไปแต่ไม่ใช่สวดนึ่เดียวนะสวดไปทั้งวันเลยนะสวดไปเรื่อยเพื่อไม่ให้ใจไปไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ใจอยู่กับเรื่องนี้เรื่องเดียวแล้วใจก็จะมีสติใจจะรู้สึกตัวตลอดเวลามีสี่สิบวิธีหรือเวาลานั่งสมาธิก็ดูลมหายใจก็เรียกว่าอานาปาันสติ อนาปานะแปว่าลมเข้าลมออกและมีสติรู้อยู่กับลมเข้าลมออกอันนี้ก็เป็นกรรมฐานด้วยกนันกรรมฐา น, นมีสี่สิทชนิดด้วยกันที่เราเอามาใช้ในการที่จะทําทให้ใจเรามีสติเพื่อถ้าถ้ามีสตินั่งสมาธิใจก็จะสงบได้สมาธิขึ้นมาส่วนวิปัสสนาก็คือการสอนใจให้เห็นความจริง ที่เมื่อกี้สานเนี่ยเป็นวิปัสสนาเท่านั้นเราไม่เห็นว่าร่างกายแล้วเนะี่ความจริของร่างกายเราเป็นยังไงมันไม่เที่ยงใช่ไหมมันเกิดแล้วมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ต, ต้องจํามันให้ได้เราบ้างจะลืมเราบ้างจะไม่ยอมแก่กันแสดงว่าเราลืมนะแล้วไม่ยอมเจ็บไข้ได้ป่วยกันแสดงว่าเราลืมแล้เราไม่ยอมตายกันนแสดงว่าเราลืมความจริงนี้กไป ถ้าเราไม่ ล, ลึมความรินเราจะยอมให้แก่เราจะยอมให้เจ็บเราจะยอมให้ตายถ้าเรายอมแล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับมันถ้าเราไม่ยอมเราก็จะทุกข์ที่ปฏิบัตินี้เพื่อให้เราเห็นความจริงเพื่อเราจะได้ไม่ทุกข์ตอนนี้เราไปหลงไปเห็นไปคิดว่ามันจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ก, กันพอมันแก่มันเจ็บมันตายก็เลยทุกข์กันขึ้นถ้าเราเห็นความรินตลอดเวลาเราก็จะไม่ทุกข์เพราะเราจะไม่หลง เราจะเตรียมตัวเจ็บเตรียมตัวตายเตรียมตัวแก่กันนี่เรียกว่าวิปัสสนาสอนใจให้เห็นความจริงความรู้แจ้งเห็นจริงนี่เรียกว่าวิปัสสนาเห็นว่าร่างกายไม่เที่ยวเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นดินน้ำลมไฟถ้าเราเห็นอย่างนี้เราก็จะได้ไม่ไปยึดไปติดไม่ไปผูกพันกับร่างกายเราไม่มีความผูกพันเวลาร่างกายจากเราเราก็จะไม่ทุกข์ เวลาร่างกายเปลี่ยนแปลงเราก็จะไม่ uh. ทุกข์ uh. ในวิปัสสนามีไว้เพื่อดับความทุกข์ที่เกิดจากความหลงที่ทำให้เราไปยึดไปผูกพันไปอยากใหม้มันเป็นตามความอยากของเราไม่ได้เป็นไปตามความเป็นจริงแต่ความอยากของเรามันเป็นไปไม่ได้ความจริงมันต้องเป็นความจริงเสมอถ้าเราอยู่กับค mm. วามจริงเราก็จะไม่ทุกข์ถ้าเราอยู่กับความอยากเราก็จะทุกข์ เห็นเรามาจเจริมวิปัสนาเพื่อให้ใจเราอยู่กับความจริงเรื่อยๆแต่ถ้าเราไม่จเจริญวิปัฒนาปั้มมันจะไปอยู่กับความอยาก ท, าทันทีอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย ท, าทันทีพอไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ร้องห่มร้องไห้ทันทีเราจะยห้ยังงคาถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามข้อที่หนึ่งค่ะวิปัสสนาคือการพิจารณาสังขาร หรือว่าพิจารณาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเบื้องหน้าหรือว่าพิจารณาทุกอย่างที่เห็นให้เป็นธรรมะครับเห็นทุกอย่างว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราอะไรก็ตามที่เรามาสัมผัสรับรู้อะไรที่เรามามีความผูกพันด้วยเราต้องพิจารณาให้มันปล่อยวางมันให้เพราะเรื่องว่ามันจะต้องเกิดมาแล้วก็ต้องมันต้องเกิดแล้วต้องดับมันมาแล้วก็ต้องไปเพื่อเราจะได้ไม่ไปย็บติดกัน ถ้าเรายึดติดเวลามันไปเราจะทุกข์มากถ้าเราไม่ยึดติดเวลามันไปเราจะเฉยเราจะไม่ทุกข์ข้อที่สองค่ะถ้าเห็นคนแก่กับเห็นคนตายแล้วเราพิจารณาว่าเป็นเรื่องธรรมดาเกิดแก่จิบตายแล้ววางเฉยอย่างนี้ใช่วิปัสสนาหรือเปล่าครับก็ต้ อ, องดูว่าเวลาเราแก่วางเฉยได้หเปล่าตอนนี้มันไม่แก่ดูเฉยเฉยมันก็วางได้ เวลามันเจ็บเน่วางเฉยได้ป่ะยิ้มได้ป่ะหรืออดโคลนคางเวลาไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายแล้วอยังยิ้มได้ป่ะยังหัวเราะได้ป่ะอันั้นถ้ายิ้มได้หัวเราะได้ก็แสดงว่าอวางเฉยได้ถ้าตกอกตกใจวุ่นวายใจขึ้นมากินไม่ได้นอนไม่แบลับแสดงว่ายังวางไม่ได้การพิจารณาคนอื่นมันไม่มันยังไม่เข้ามาถึงตัวเรา เราต้องดูถึงเวลาที่มันเกิดกับตัวเราว่าเราทาใจได้หรือเปล่าคำถามจากคุณกนกพรเวลานั่งภาวนาพุโทโธพุธโทโธพอเป็นสมาธิสงบแล้วมันจะเข้าพาวังโยกเหมือนตกจากที่สูงผวาจนตกใจบางครั้งตกใจจนต้องลืมตาออกจากสมาธิเลยจะต้องทำยังไงคะก็เพกเพกสติให้มากขึ้นแล้วแล้วก็ บอกตัวเองว่าไม่เป็นไรมันตกมาจากที่สูงแต่ข้างล่างมันมีเบาะหนาๆนรานาองอยู่เตกลงมาแล้วไม่เจ็บปล่อยมันตกลงไปให้รู้เฉยๆให้สักแต่ว่ารู้เกิดสติไว้เตรียมตัวไว้เวลามันวูบลงไปก็ปล่อยมันเด่งลงไปพอมันถึงก้นแล้วมันก็สบายเบามีความสุขคำถามจากคุณรัศมี หนูตั้งใจอธิษฐานจิตเข้าสู่เส้นทางธรรมยกหัวใจให้กับพระพุทธศาสนาหนูเพียรปฏิบัติได้ประมาณ1เดือนสังเกตเห็นว่าทุกครั้งที่บวชปฏิบัติธรรมจะมองเห็นในอากาศเต็มไปด้วยเม็ดขาวๆมีเส้นใยเหมือนเม็ดวนปอยๆลอยเต็มไปหมดในอากาศสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและชัดเจนค่ะเป็นแบบนี้ประมาณสองเดือนแล้วค่ะอยากทราบว่าคืออะไรและหนูต้องทำยังไงคะ พิจารณาว่ามันเป็นตายลักเป็นสภาวะทั้งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปไม่มีคุณไม้ดีประโยชน์อะไรกับเราอย่าไปสนใจให้นึงใจมาดูสิ่งที่เป็นประโยชน์ดีกว่ามาดูร่างกายมาดูความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายมาดูว่าการ32ของร่างกายจะดีกว่าคำถามจากคุณโตมอนข้อที่หนึ่งค่ะเวลาที่เรานั่งสมาธิ เวลาที่ได้สมาธิอาการจะเป็นยังไงครับเวลาที่ผมนั่งภาวนาพุโทโธไปเรื่อยๆแล้วจิตมันวูบหายจากพุโทโธไปช่วขณะหนึ่งเป็นอาการอะไรครับกร็อาการของการนั่งสมาธิไงก็นั่งไปถ้าจิตสงบมันก็มันก็นิ่งสงบมันก็มีความสุขข้อที่สองค่ะจิตเรามีกี่ดวงครับ เวลานั่งสมาธิภาวนาพุโทโธไปเรื่อยๆแล้วจิตมันคิดนู่นคิดนี่ทีนี้พระอาจารย์บอกให้ดึงมันกลับมาหาพุทโธแล้วตัวที่ดึงกลับมาใช่จิตอีกรวงหรือเปล่าครับตัวที่ดึงเป็นสติส ต, สติสติที่อยู่ในจิตนี่แหละสติที่เป็นตัวที่ดึงจิตถ้าไม่มีสติจิตมันก็จะไหลไปกับความคิดต่างๆพอมีสติมันก็จะดึงจิตให้ออกจากความคิดหยุดความคิดนะ จจตตกก็ะลับมาาอออยยยยูููู่่่่่่ทีวเฉแคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามหากท่านคู่มีพระคุณชอบทําบุญแต่ลูกคิดว่าเป็นสี่รัฐพระตร ะ, ะัสรมาศเช่นเมื่อลูกป่วยท่านฝากปัจใจไปถวายพระที่ท่านไปอินเดียเพื่อสวดมนต์ให้ลูกหายจากความเจ็บป่วยเป็นต้นด้วยปัจจัยจํานวนมากลูกทราบดีว่าท่านรักและหวังดีกับลูก ซึ่งหากลูกอนุโมทนาบุญกับท่านจะทําให้ท่านเข้าใจว่าสิ่งที่ทํานั้นถูกและปฏิบัติเช่นนั้นอีกลูกควรปฏิบัติอย่างไรครับก็มองในนี้นว่าท่านได้ทำบุญดีกว่าไม่ได้ทําบุญถึงแม้ว่าจะเป็นเจลิญพระตาอย่างนี้นท่านก็มีความเมตตามีความปรารถนาดีท่านก็มีความเสียสละยินดีที่จะสละ ทรัพย์สมบัติเงินทองเพื่อประโยชน์สุด ข, ของผู้อื่นถึงแม้ว่ามันจะเป็นศีลรับพระตะคือเป็นสิ่งที่มันเกิดไม่ได้เป็นไปไม่ได้แต่อย่างน้อยการได้ทําบุญก็ถือว่าเป็นประโยชน์เราควรจะมองว่าเราเราเราเป็นกันเหตุที่ทําให้พ่อแม่ได้ทําบุญอย่างนี้จะดีกว่าถ้าเราไม่เจ็บไข้ได้ปวดพ่อแม่ก็จะไม่ได้ทําบุญนะเห็นเราต้องหัดเจ็บไข้ได้ปวน่ว ย, ยบ่อย ถ้าเราอยากจะให้พ่อแม่ได้ทำบุญบ่อยๆเพราะทำบุญมันไม่มีมันไม่มีโทษถึงแม้ว่าจะทำด้วยเหตุผลที่ผิดก็ตามอตถ้าทำบุญมันก็มันก็ได้บุญอยู่ดีเพราะได้จากะได้เสียสละได้แบ่งปันได้ปล่อยวางเงินทองของตนเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นอันนี้ก็ยังถือว่าเป็นบุญอยู่ยัน ฝ่ายให้ท่านทางไปแล้วก็ชัดแล้วก็อนุมโมทนาไปแล้วท่านจะได้มีความสุขก็อย่างนี้ถ้าระบุระบุวัดไปเลยได้ไหมครับว่าบ อ, บอกพ่อแม่ว่าให้ให้ไปวัดนี้ดีกว่าหรือได้ไหมไม่ได้ระบุนะครัแต่เขอศรัทธาที่ไหนก็าฝ่ายก็ทําไปถึงไม่ต้อง ไ, ไ, ไปยุ่งเกี่ยวอะไรเขาเขาะมันก็ทําบุญก็อนุโมทนาไปแล้วกันจนกว่าจะมีโอกาสได้คุยกันก็จะมาถาม มาเป hmm. so, ็นไปได้หร okay. ือเป่าเนี่ยที่ทําบุญแล้วทําให้ลูกหายเนี่ยก็เขาจะได้คอยงั้นถ้าอย่างงี้ก็ไม่ต้องมีโรงพยาบาลเลยพ่อเนียอันนี้สบายก็ไปทําบุญกันเดี๋ยวก็หายคำถามจากคุณพิมพรเมื่อคืนนี้พอหนูนั่งสมาธิภาวนาแล้วนอนหลับแต่หนูฝันว่าตัวหนูมีหัวที่มันไม่มีผมคล้ายเหมือนกับหัวกระโหลกค่ะ ในฝันหนูคิดว่าช่างมันเดี๋ยวผมก็ยาวเองถามว่าหนูฝันแบบนี้หมายความว่าอย่างไรเจ้าค่ะขอคําชี้แนะด้วยเจ้าค่ะก็มันไม่มีความหมายแหละมันอยู่ที่เราว่าเราจะเอาความฝันนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์หรือไม่ถ้าเรารู้ว่าเานี่ยมันแสดงให้เราเห็นว่าร่างกายเราไม่แน่นอนนะเดี๋ยวอาจจะต้องไปทํำคีโมก็ได้พอทํำคีโมผมก็ร่วงหมดไห้มองอย่างนี้ดีกว่า ว่าร่างกายมันสังขารไม่เที่ยงอย่าไปทุกข์กับมันแต่ถ้าเรามาดูแล้วมาอยากจะรู้ว่ามเป็นอะไรเนี่ยแสดงว่าโง่โง่สองเท่าที่จะเอาสิ่งที่เกิดขึ้นมาใช้เป็นเห็นนับปัญญากับใช้ไม่เป็นเห็นอะไรก็ให้มันเห็นเป็นตายนักไปหมดเพราะทุกอย่างมันเป็นตายนักหมดไม่ต้องมาถามว่ามันเป็นอะไรถ้ามีใครมาถามเราวเป็นอะไรอย่ามาถามหวังเป็นตายนักท่านั้น มันเป็นสมาวัตธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปถ้าไปยุ่งกับมันไปอยากกับมันก็จะทุกข์ถ้าไปอยากรู้ว่ามันเป็นอะไรก็ทุกข์แล้วนะอยู่เฉยๆไม่ได้นะเนี่ยใช้ปัญญาสิประเภทนามันเป็นตายรักลงไปมันก็จบมันต้องไปถามกันมันเป็นอะไรมันหายไปแล้วไม่ใช่เหรอเห็นมันตอนที่มันอยู่ในสมาธิใช่ไหมพอยากสมาธิมันมันยังอยู่วะปอยู่ตรงไหน ไมไอ้ภาพที่เราเห็นอ่ะอ่าทานตัวก่อนมันก็หายไปแล้วพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วก็ดับแล้วก็สั่งมันไม่ได้เค้าหน้าสั่งให้มันกลับมาอีกก็ไม่ได้มันจะมาหมือไม่มาก็ไม่รู้ถ้าไปอยากให้มันมามันไม่มาก็ทุกข์อีกแล้วถ้าเจอภาพที่ไม่ชอบแล้วถ้ามันมาอีกอยากให้มันไม่มาพอมันมาก็จะทุกข์อีกแต่ถ้าเราทาใจเฉยๆช่างมันมึงจะมาก็มามึงจะไปก็ไป มันเป็นเพียงภาพเท่านั้นเองไม่มีอะไรสาระอะไรทาอะไรเราไม่ได้ภาพหน้าเกลียดหน่ากลัวขนาดไหนมันก็ทำร้ายเราไม่ได้ภาพหน้ารักขนาดไหนมันก็ทําอะไรให้เราดีไม่ได้ดีชั่วมันอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่การปฏิบัติของเราถ้าเราอยากจะดีเราก็รู้เฉยเฉยรู้ว่ามันเป็นตายละแล้วก็ปล่อยวางไปนี่แหละหรือ้ดยปัญญาเป็นการใช้หินหินนับปัญญาใช้พวกนี้เป็นหินนับปัญญา มีรายเข้ามาถ้าอยากจะรู้ว่าเป็นรายก็ตอบเป็นไรเป็นตายลักไม่ต้องไปถางคนอื่นให้เสียเวลาอันนี้หลักคำตอบที่ถูกต้องทุกคำทุกคำถามเลยเห็นอะไรได้ยินอะไรพระเจ้าบอกแล้วให้พิจารณาเป็นตายรักไปให้หมดเนี่ยมันเป็นตายรักเท่านั้นอ่ะมันเป็นสภาวธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปมันเป็นสภาวธรรมที่เราไปสั่งมันไปกําหนดไม่ได้ไปสั่งให้มันหรือ ไ, ไปห้ามันไม่ได้ ถ้าไปอยากให้มันเกิดก็ทุกข์ถ้ามันไม่เกิดถ้าอยากให้มันดับไม่ดับก็ทุกข์ต้องปล่อยให้มันเป็นไป ต, ตามธรรมชาติเหมือนกับดินน้ำลมไฟฝนฟ้าอากาศฝนจะตกก็ปล่อยมันตกไปฟ้าจะร้องก็ปล่อยมันร้องไปถ้าเรารู้เฉยๆรู้ว่ามันเกิดตาย ล, ลักนักก็จกอบอาจู้ั แสดว่าสมมุติทุกอย่างอยู่ใต้ตกดไายรับทุกอย่างทุกอย่างที่เกิดมันต้องดับ <an> แต่ว่าวิมุตติโยเข้าใจถึงวิมุตติทิพย์คือนี้วิมุตติก็คือความว่างนไม่มีเกิดไม่มีดับมันก็ไมีอยู่ใต้กฎตายนะความว่ามันมีเกิดไม่ดับว่ะมันก็ว่างมันตลอดเวลาก็อยู่กับความว่างอย่าก็อยู่กับสิ่งที่เกิดที่ดับเพราะมันเป็นทุกข์ถ้าอยู่กับสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับมันก็ไม่ทุกข์ความว่าก็คือว่างว่างในสมาธิ ควาว่าของจิตที่สงบเนี่ยแล้วเป็นความว่าอันนี้เป็นนิจจังสุขขังอักตานิพพานเนี่ยเป็นนิจจังสุขขางหนัตาจะว่าก็ได้แต่ไม่ว่าเดี๋ยวทะเลาะกันอีกมาชี่อีก น, นิพพานก็เป็นนิพพานไปแล้วนนคำถามจากคุณลาวันค่ะดิฉันมีความสงบเป็นกปกติละการมได้สิบกว่าปีแล้วยังจะต้องพิจารณาสังขารอยู่อีกต่อไปไหมคะ ถ้าตายจะกลับมาเกิดอีกใหมคะก็แล้วแต่ว่าเรายังมีความอยากหรือเปก็ลองลองอยากกิเลสดูสิเอาเอาภาพการลามลุกมาดูดูว่ามันเกิดอารมณ์หรือเปล่าถ้าเกิดอารมณ์ก็ยังแสดงว่ามันยังมีอยู่ถ้าไม่มีก็แสดงว่าไม่มีดูแล้วก็เฉยอยู่เขาเปื้องฟ้าดูเขากอดกันก็ดูแล้วก็เฉยก็แค่ ถ้าคิดว่าไม่มีแต่พอไปเห็นภาพโกภาพโกยเห็นภาพก็อพกอนอนกอด ก, กันก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาก็แสดงว่ามันยังมีอยู่ก็ลองไปทดสอบดูยืนยัตัวนี้ถ้าว่ามันฉลาดบางทีมันซ่อนมันหลอกเราว่ามันตายแล้วเพราะเราไม่เคยตระแหน่มันเําโม่แต่พิจารณาสุภาษิตเรื่อยๆมันก็เลยมันก็เลยไม่โผล่ออกมาทีนี้เราอยากจะรู้ว่ามันไม่โผล่ออกมาจริงหรือเปล่าก็ลองเาอาภาพ ตรงกันข้ามแทนที่จะดูว่าสุภาพก็ดูสุภาพแทนอดูใซ่บอยไปดูอะไรไปดูภาพที่มันจะยั่วยุกามอารมณ์ขึ้นมาแล้วดูว่ากามอารมณ์มันจะโผล่ขึ้นมาหรือมากถ้าโผล่ก็แสดงว่ายัางต้องกําจัดมันก็ต้องหยามันขึ้นมาแล้วก็ใช้อสุภาษทาลายมันในที่สุนมันจะไปดูที่ตัวอย่าบเวาลาเห็นแล้วอยาหรือเปล่ามีอารมณ์รูอเปล่า ถ้าเห็นแล้วไม่มีความอยากไม่มีาอารมณ์เฉยก็แถลงว่าจบคำถามจากคุณสิริการระงับราคะนั้นขั้นแรกเป็นเรื่องของการหยุดอยากมีคู่เมือ่อเฉยได้แล้วจึงไปเรื่องการยินดีต่อสิ่งอื่นๆลูกเข้าใจถูกไหมคะมันก็แล้วแต่ความยินดีมันบางทีมันไม่มีคู่มันก็เป็นยินดีอย่างอื่นคนไม่มีแฟนเขาก็เป็นมีเรื่องเที่ยวบ้างเรื่องซื้อ ข้าวของอะไรต่างๆว่าพอหาการไม่ได้ใช่ไหมก็เลยหาอย่างอื่นแทนก็แล้วแต่ถ้ายังมีความอยากต้องการในรูปเสียงกินรถหยู่ก็แสดงว่ายังมีความอยากมีการมาราคาอยู่เพราะรูปเสียงกินรถก็คือการนี่เองการนี้มันไม่ได้หมายเฉพาะว่าต้องเป็นคนเท่านั้นเองเป็นรูปเสียงกิ่นรถเป็นรถเก๋งก็ได้เห็นรถเบนก็อยากได้เห็นคอนโดก็อยากจะซื้อด้วยยเ มัันก็ยงเป yeah. คำถามจากคุณรัตดาวันหนูกับพี่ชายมีปัญหากันบ่อยครั้งหลายครั้งที่หนูจะปรับความเข้าใจแต่ก็ถูกเมินเฉยและพูดจามไม่ดีกับหนูควรปฏิบัติตัวยังไงดีคะก็ทางคนต่างอยู่สิถ้าเจอกันก็เฉยไม่ต้องไปตอบโต้กันเพราะพูดอะไรก็สาธุยไปสาธุไปเนี่ยเาก็หยุดเอง yeah. คำถามจากคุณนัทภรรยาชอบไลย ไล่เจ้าเทวดาผีเชื่อหมอดูเชื่อล่างทรงส่วนกระผมเชื่อตามคำเทศของพระอาจารย์ทุกวันนี้วิถีชีวิตก็ขัดกันเลยบอกให้เขากลับใจแต่ก็ไม่เป็นผลจึงปล่อยเลยตามเลยต่างคนต่างมีความเชื่อคิดแบบนี้ถูกต้องอหรือไม่ครับมันมันเรื่องของของแต่ละคนซึ่งถ้าถ้าสอนก็ได้ก็สอนไปถ้าสอนไม่ได้ก็ต้องปล่อยเขาไปตามตามตามเรื่องของเขา เพราะไม่ง้นเดี๋ยวก็ต้องมาทะเลาะกันไม่แก่ดประโยชน์เลยเขามีคําพูดว่าให้สมน์ส่วนต่างให้ประสานส่วนเหมือนจะ อ, อยู่ด้วยกันก็อย่าเอาส่วนต่างมาเป็นประเด็นเดี๋ยวจะทะเลาะกันเอาส่วนเหมือนมาเป็นประเด็นนี่แหละชอบกินกว๋วยเตี๋วด้วยกันก็เอาเรื่องกว๋วยเตี๋ยวมาพูดถ้าคนนึงชอบกินข้าวผัดคนชอบกินกว๋วยเตี๋ยวแล้วก็ตีกันคำถามจากคุณพีโก คนรักกันเช่นชายหญิงชายชายหรือหญิงหญิงเกิดจากคนทั้งสองอธิษฐานขอเป็นสามีภรรยากันทุกภพทุกชาติใช่ไหมครับถ้าอยากแก้ไขต้องทำอย่างไรมันไม่ได้เกิดจากพิชานะมันเกิดจากความอยากนะครัจากาอยากว่าอธิษฐานกันก็ไม่ได้หรอก้าหน้าใครจะเปจิตเกิดเจอกันมันง่ายที่ไหนใช่ไหมอาจจะเป็นไปได้ก็ มันก็เหมือนกันเจอคนอื่นมันก็เหมือนกันมันก็อาการสามสิบสองเหมือนกันเพรามันอยู่ที่ความอยากความอยากมีใจมันก็เจอทันมันก็มันก็อยากจะมีใจใช่ไหะถ้าไม่มีความอยากแล้วมันก็เจอกันยังไงมันก็ไม่มีความอยากเป็นใจกันคำถามจากคุณยุพินการทําบุญให้พ่อแม่ยายและพี่น้องผู้ล่วงลับไปแล้วพวกเขาจะได้รับได้กินใหม่เจ้าคะก็อยู่ที่ว่าครั้งเรารับอยู่รึป สถานภาพเขาเป็นอะไรถ้าเขาเป็นเทวดาเขาก็อนุโมทนาเพราะเขามีบุญมากกว่บุญที่เราส่งไปให้เขาถ้าเขาเป็นเปรตเขาก็จะได้รับถ้าเป็นอย่างอื่นก็รับไม่ได้เป็นเดชะฉานก็รับบุญของที่ส่งไปไม่ได้ไปแล้วก็รับไม่ได้เป็นเทวดาก็รับไม่ได้เป็นมนุษย์ก็รับไม่ได้ถ้าเป็นเปรตอย่างเดียว ข้องถามเจ้าคุณอารีช่วงเข้าพรรษาลูกจะรักษาสินแปดตอนเย็นทานวิตามินได้ไหมคะถ้าตามหลักของพระก็ไม่ได้เพราะพระถือว่าวิตามินนี้ก็เป็นอาหารเสริมให้ดื่มน้าปนแทนน้ำผลไม้น้ำผลไม้ไมถ้ามีกาดก็ต้องกรองออกไม่ให้มีกาดไม่ให้ไม่ให้มีเนื้อให้เป็นน้ำเปล่า แต่ถ้าจะถือศีลดาแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลอย่างมั้นละมันไม่ตายหรอกเดือมน้ำเปล่าๆแทนก็ไนดะ้อยู่ได้คำ ถ, ถามจากคุณพนมพรถ้าจิตเราอยากไปทำบุญกับพระ พ, พ่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่อยู่ต่างจังหวัดแบบนี้เรียกว่าทำตามกิเลสไหมครับก็เหมือนกับเราซื้อของเราก็ต้องเลือกร้านซื้ อ, อสินค้าที่ดีมีคุณภาพใช่ไ ถ้าสินค้าไม่ดีไม่มีคุณภาพเราก็ไม่ซื้อเั้นการไปทําบุญกับพระก็เหมือนกับไปซื้อสินค้าเลือกพระพระก็ต้องเลือกเพราะพระมีคุณภาพก็มีพระไม่มีคุณภาพก็มีถ้าไปทําบุญกับพระไม่มีคุณภาพเดี๋ยวเขาก็เอาเรื่องเรื่องเรื่องไร้สาระมาสอนเราเราก็ช่วยไปแต่ถ้าเราไปหาพระที่มีคุณภาพเขาก็จะทำมาโนนมาแจกเราเมาสอนเรา คำถามจากคุณเบนจาหากหนูมีนิสัยอิฉายิสยาแต่พอรู้สึกแบบนี้ที่ไรจะมีความรู้สึกทุกทันทีหนูควรแก้ไขปรับปรุงอย่างไรคะบางครั้งตอนตอนหนูอิฉาถ้าเป็นเรื่องดีหนูจะพยายามอนุโมทนาบุญกับเขาแต่ใจก็ไม่ค่อยยอมรับเท่าไหร่ค่ะก็พยายามมองว่าคนเรามีบุญดีบาปเป็นของของเขาเขาทําบุญมาถึงเวลาเขาก็ได้ดีได้ดี มีคำโบราณที่พูดว่าแข่งรถแข่งเรือพอแข่งกันได้แต่แข่งบุญแข่งบา ร, รมีนี้มันแข่งไม่ได้เราต้องยอมรับเวลาคนอื่นเขาได้ดีได้ดีก็เป็นอนิสงส์เป็นผล ข, ของบุญบา ร, รมีที่เขาได้สะสมมาเราควรจะชื่นชมยินดีไปกับเขาจะดีกว่าถ้าชื่นชมยินดีไม่ได้ก็ทาใจเฉยๆเป็นอุบเบกขาไปว่ามันเป็นเรื่องของบุญของบาต ถ้าเขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนเราจะไปทุกข์แทนเขาก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะว่ามันก็เป็นผลของบาปที่เขาทามาดังั้นก็ให้ใช้หลักนี้ตลอดกันให้ใช้หลักกดแห่งกรรมว่าคนเราดีชั่วสูงต่ําเจริญหรือเสื่อมสุขหรือทุกข์ก็ อ, อยู่ที่บุญบาปที่เขาทามาเราไม่สามารถที่จะไปแข่งกับเขาได้คําถามจากภัคกิติพงค์ค่ะ ตอนที่ข้าพเจ้าเป็นเด็กและเริ่มโตจนทำงานจิตจะรวมได้ตลอดในจิตรวมนั้นจะอิ่มแน่นหนาปัญญาเต็มเปี่ยมรู้เองไม่ต้องคิดหรือต้องถามอะไรจนล่าสุดหมดงานทั้งโลกจึงได้มาบวชตามที่พระท่านหนึ่งแนะนำแต่พอมาบวชแล้วไปรู้ว่าพระผู้ใหญ่ที่เรานับถือไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดจิตกลับวุ่นวายและรวมไม่ได้อีกเลยมันมีแต่จะปีกเวกไปอยู่คนเดียว แต่ก็ไปไม่ได้เพราะบวชใหม่ไปก็ไม่รู้จะไปที่ไหนอาการเช่นนี้ที่ข้าพเจ้าขัดข้องโปรดท้าอาจารย์ช่วยแนะด้วยครับก็พยายามกลับไปดูวิธีที่ทำให้จิตเราสงบแล้วเราทำยังไงก็กลับไปทำอย่างนั้นให้เราปล่อยวางสิ่งที่มาทำให้เราวุ่นวายใจให้ปล่อยวางเรื่องอาจารย์เรื่องคนต่างๆที่ทำให้เราไม่สบายใจ ถ้าเราไม่รู้จักวิธีก็เราก็ต้องเริ่มเริ่มใหม่เหมือนหลวงตา ม, มาบัวท่านก็เคยนั่งสมาธิจิตสงบด้วยพุทโตพุทโตแต่มาช่วงหนึ่งท่านมาหยุดทมแล้วท่านมาทำโกรธ อ, อยู่เดือนกว่าๆพอหลังจากนั้นกลับไปจะนั่งสมาธิจิตไม่สงบแล้วท่านก็ยิ่งวุ่นวายใจทุกข์ใจยิ่งทุกข์ใจยิ่งทำใจให้สงบไม่ได้ อันหลังท่านก็กลับมาทบทวนด้วยว่าตารที่ท่านสงบเมื่อก่อนนี้สงบด้วยอะไรท่านจําได้ว่าพุทโธพุทโธ ท, ท่านก็เลยกลับมาบริการพุทโธพุทโธไม่ไปคิดถึงความอยากไม่คิดถึงความสงบที่เคยได้มันสงบมันผ่านมันเป็นอดีตไปแล้วถ้าอยากจะได้ความสงบหม่ก็ต้องสร้างมันใหม่ขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องดึงสติกลับมาถ้าเราจิตไม่สงบ ก, ก, ก็แสดงว่าสติเราหายไป ก็เอาสติกับมาจะใช้วิธีไหนที่เราเคยใช้ก็ใช้วิธีนั้นได้ถ้าเราใช้บริกรรมพุโทโธก็กลับมาบริกรรมพุโทโธจะ่อยากไปคิดถึงความสงบที่เราเคยได้ในอดีตอย่าไปอยากให้มันได้ว่าความอยากได้ความคิดในอดีตนี่จะทำให้เราไม่ได้เราต้องอยู่ปัจจุบันอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะสงบอย่างค่ถามสักคุณนะัท ถ้าตอนนั่งสมาธิแล้วท่องพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆโดยไม่พิจารณาร่างกายเราจะเกิดปัญญาไหมเจ้าคะท่องพุโทโธไปอย่างเดียวได้ไหมคะมเวลาทําสมาธินี่กับทําปัญญานี่มันคนละช่วงการทําช่วงเรียวกันไม่ได้ถ้าอยากจะทําสมาธิเราก็ต้องอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปไม่ให้ไปคิดถึงร่างกายถ้าอยู่กับพุโทโธแล้วจิต ก, ก็จะสงบถ้าไปคิดถึงร่างกายแล้วไปคิดถึงเรื่อ ง, งนั้นเรื่องนี้จิตก็จะไม่สงบ ตอนต้อนนี้ต้องฝึกทําใจให้สงบก่อนพอใจสงบแล้วค่อยเวลาออกจากความสงบมาแล้วค่อยมาพิจารณาร่างกายต่ อ, อทีหนึ่งีกนึ่งคำถามอีกหนึ่งถามโอเคคาถามจากคุณเมธาเข้าพรรษาเห็นคนถว า, ายเทียนพรรษาเยอะถ้าเราจะถว า, ายหลอดใจแทนเทียนพรรษาได้ไหมครับแล้วอันนี้ส่งต่างกันไหมครับออไม่ต่างได้ถว า, ายอะไรก็ได้ คือการถวายนี่เป็นการฝึกให้เราเสียสละให้เราแบ่งปันการเสียสละแบ่งปันนี่เป็นบุญเก่งของที่เราเสียไปนี่จะเป็นอะไรก็ได้ก็ควรจะใช้ปัญญาพิจารณาดูว่าคนที่รับนี่เขาขาดแคลอะไรไม่ใช่ให้ของที่เขามีอยู่เต็มไปหมดของที่เขาขาดแคลนเขาไม่มีก็ต้องสังเกตดูทาเล้เนะี่ย คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านตรงนำเราสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปที่นิพพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอตั้งหลักฐานเดินจงกรมไมควรตั้งศ <c oughs> ึกาว่าเราอาิาฐานไว้แล้าากี่ชั่วโมงแล้วก็ก็ <c oughs> ได้ได้จะตั้งก็ได้ไม่ตั้งก็ได้ถ้าไม่ตั้งได้ก็จะดีกว่า ไปเรื่อยๆไป<า>จนกว่าจนกว่าไปไม่ไหวก็เลิกถ้านอกจากเรามีเวลาจําเป็นว่าถึงเวลานี้ต้องไปทําวัดถึงเวลานี้ต้องไปทําธุระก็ต้องตั้งถ้าเราไม่มีเวลาก็เอาเอาไปจนกว่ามันเมื่อยจะไม่ไหวทําไปเรหลังจากเขา้าขุดแล้วมันก็ได้ทั้ ง, ง, งวันแต่แว่าเราเท่าไหร่บีอย่างเงี้ย ก็ต้องมีมาตรฐานว่าก็ไลยต้องใช้วิธีตั้งระดับถ้าเราโลเลยก็อาจจะต้องมีมีอย่างเดี๋ยวนั่งได้ห้านาทีก็เริ่ม่ได้ไม่ได้ไม่ด้ไมแล้วกลบมาตั้งดีกว่าแต่ละแต่ถ้าตั้งครับ